بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين ولا ع د و ا ن إلا للظالمين وصلي وسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أ م د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ورحمة ถ้าพี่น้องจําได้ว่าช่วงแรกที่ได้อธิบายสุรจุลุศน์นี่เราได้ย้ายํากันว่าแต่ละสุโรนี่จะมีเนื้อหาที่เป็นกลุ่มกลุ่มเนื้อหาแต่พอไปไปดูเนื้อหารวมแล้วของแต่ละกลุ่มเ น, นื้อหาเนี่ย มันจะมีเนื้อหาหลักๆของแต่ละสุรที่เป็นวรรสสำคัญแล้วเราได้เห็นหลายสุรที่ได้เคยเรียนรู้กันมาว่าแต่ละสุรนจะมีอัตลักษณ์ของมันอย่างเช่นสุรตะเบกอร์ อัตลักษณ์ของสุรบกอรนี่มีเรื่อง أ ح ك อา์คำนหมายถึงบทบรญยัติบทบัญยัติเยอะเรื่องคุรตูบีที่ได้อธิบายกุรานด้วยเรื่องนิติศาสต์หมายถึงว่าแต่ละสุรานี่แต่ลอายนี้ก็จะพยายามเอาเรื่อง أحكام เช่นได้เชยาสต์ฟซีร์ุรตูบีนี เขได้ใช้คำว่า تفسير ฟิกฮีเป็นการอธิบายกุรานแบบฟิกแบบนิติศาสตร์ท่านได้บอกว่าในสุรบักร้อนนีมีประมาณหนึ่งพันกว่าฮุกุมหนึ่งพันกว่าเรื่องถ้าใช้ภาษากฎหมายนีน่ก็มีหนึงพันกว่ามาตราแต่ทำไม صحاب ะริษณ์นบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมได้ตั้นนง شئ صورة البقرة، بقرة، بوا، ن ر و م نقول ا ل หลายคน،เขาจะ،เขาจะแปลว่า، بوا و مية، صحيح؟ و ا و مية،. ไม่ใช่ตา،ใ البقرة، ในตัวตา،นี่ไม่ใช่ตาตะนิสไม่ใช่ตาเพศหญิงเขาเรียกตา الإفراد. ภาษาอาหรับนี่บางคเนี่ย ธาตุหนึ่งเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์เป็นอักษรของมันฉะนั้นวัวนี่ในภาษาอรับนี่ถ้าตัวเดียวเนี่ยเขาจะได้คำบักกะรอถ้าหลายตัวเนี่ยเขาจะได้คำบักกะรไม่มีตัวตาเขาเรียกว่าต่าอูหลิฟรอดเพราะฉะนั้น ตอนที่นบีมูซาบอกบยูน่บอกว ا إ ่าอินนัลลอฮฺย์อัลลอฮนอัลลอฮฺเัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลนอฮฺอัลลอฮฺอมลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮเอัลตอบ้อนเรอนีอัม่รู้นัามมานชลช า, า, า, าการหลยคนนะให้ชื่อัลตัวเมียทําใอ้ชาวบานน้าันลอฮฺอันสงสัยว่าทําไมต้องตัลลอฮฺอัลลอฮฺมัมมลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอตฺอตัลลอฮาอัลลอเฺอัลลอาอัลาอฮฺอ แต่ไม่เกี่ยวนะตั้งชื่อูุรันี่อัลบากรันี่ก็ตามตามเรื่องราวในในสุรันี่ก็มีเรื่องแต่ปรากฏว่าในเรื่องราวเนี่ยเหตุผลที่ท่านนาบีมูซานี่ให้เชือดวัวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งชาวยวเอ่ะไปฆ่าไปฆ่าบีน้องเขาคนหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่ยอมสารภาพไม่มีใครยอมสารภาพ ท่านนาบีก็เลยจะให้ชาวยิวเนี่ยได้เชื่อดวัวตัวหนึง่งและจะเอาส่วนหนึ่งของวัว น, นี่นะบางรายงานบอกว่าเอาหางอะ่ะไปตีทุกคนนี่นะไปไอไปตีคนที่เสียชีวิตเนี่ยคนที่ถูกฆ่าเนี่ยแล้วคนที่ถูกฆ่านี่จะฟื้นคืนชีพมาจะตื่นมาชั่วข้าวนี่จะได้บอกว่าใครเป็นฆาตกรนี่เรงมันแค่นี้ให้เชื่อดวัวสักตัวหนึง่งแต่ยิวเนี่ยเรื่องจะว่า ด้วยเหตุผลอะไรเนะี่ยก็น่าจะรู้ว่าเออมันคือมันจะเป็นเส้นทางที่จะรู้ขัตรกรให้ว่าอยังไงเสียอะไรเป็นยังไงอ้วนหรือผอมคือคื อ, ค อ, คอยกึยกยักเนี่ยกระไรกระไเยอะนี่จะได้ไม่ไม่สุดท้ย ร, รู้รู้บั้นปลายนี่ของของเส้นทางนี่ก็คือต้องรู้แหละคนที่ฆ่านี่ก็เป็นญาติพี่น้องเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเมียหรือไม่ไม่ไม แต่เนื้อหาของเรื่องในเรื่องบักร้อนี่นะก็คือเชื่อดวัวสักตัวหนึ่งด้วยความศรัทธาในน บ, บีนี่นะสั่งอะไรมาเนี่ก็ต้องก็ต้องยอมรับต้องศรัทธาไม่ต้องมันยิ่งยิ่ยังวูบยังไ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งต้องอะไรต้องแบบไหนก็เชื่อไปดีว่าตัวหนึ่งจบเส็แล้วเนี่ยก็ฟักุลนับดีบูพอเชื่ดแล้วน่นนพยนะพอยาวไปเลยนะ มนยาวเลพอเชื่อแล้วเนี่พระกุกดลรีบูฮุบิบางทฮะก็เอาสวนหนึ่งของวัวนี่ไปไปตีไอ้มาเย็ดนี่แล้วมาเย็ดนี่จะพูดว่าใครเป็นเป็นคนฆ่าต้องเชื่อตั้งแต่แรกเลยซึ่งมันสอดคล้องกับเนื้อหาของสุรบกกรทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีอภ a r ม m ีหลักการมีนิติศาสตร์คือสั่งว่าทำนี้อย่าทำนี้และก็เรื่องหลักการคำสั่งของพระย า, าทั้งหมดเนี่ยต้องมีเงื่อนไขสำคัญที่สุดนี่สำหรับผู้ศรัทธาคือเชื่อ จึงเหมาะที่จะให้ชื่อสุรนิบากรแทง ท, งทันทีถ้าคนดมองโดยผิวเผินนี่บักรอวัวเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวดีถ้าอ่านดีๆนะนะแต่ถ้า บ, บุญเนี่ย ใ, ให้ใครครวญเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเนื้อเรื่องของอัลบากรอนี่จะทําให้ผู้ศรัทธานี่ต้องสวามีพักต้องต้องเชื่อฟังอัลลอฮฺสุภานัลลอฮตะละโดยที่ไม่ต้องตั้งข้อแม่ไม่ต้องตั้งข้อแม้ ปฏิบัติเท่าที่ปฏิบัติได้สั่งไปแล้วนี่ก็ปฏิบัติไปไม่ต้องไม่ต้องเรื่องเยอะสุริยูนุสก็เหมือนกันที่บอกกับพี่น้องว่าทั้งสุรานี่หนึ่งร้อยเอายะแต่ชื่อสุรานี่สุริยูนัสมีอายะเดียวที่พูดถึงนั่นและบียุนัสกับเรื่องที่ต้องต้องต้องไม่ไม่ยกจะพูดว่าสงสัยนะมันต้องเออต้องมันต้องมีเหตุผลนะ่ะทําไมอ่ะ เพราะเนื้อหาของสุราทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับประเด็นเราบอกก็ตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นว่าท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้สึกน้อยใจว่าทำไมเนอะเอากุรอานเอาพระบัญญัติของพระเจ้ามาให้เขาให้เขาเป็นคนดีให้เขาหลีกทางจากเรื่องไม่ดีจากเรื่องชีรเลกเรื่องชั่วร้ายแต่ถูกกลับปฏิเสธถูกกันแกล้งถูกกรังแกนบีรู้สึกน้อยใจ ลราก็เลยให้กำลังใจตลอดสูรและท่านนบิยูนสุสก็จะเป็นกำลังใจสำคัญทั้งสองด้านในด้านการทำหน้าที่และรับการตอบแทนพอท่านนบิยูนุสเนี่ยได้ดาว่าเต็มที่แล้วแต่พอประชาชาติของเขานี่ปฏิเสธ ท่านน บ, บิยูนุสียงไม่ได้รับอนุญาต ท, ที่จะทิ้งเมืองแล้วก็กไปพอยูนุสไม่ได้เป็นชาวนีนวานะไม่ได้เป็นคนชาวนีนวาจะเป็นชาวนน่นอะปาลิสตัยงพอไปแล้ว น, นี่ก็เป็นอีกบทเรียนว่าบรรดานับีุละรษูลจะต้องทาหน้าที่เสมอไป อย่ารู้สึกน้อยใจอย่าทิ้งหน้าที่จึงสมควรกับสุราทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นการกะให้กําลังใจกับท่านอับดุลลอฮฺซลแลมและท่านอบดุยูนุสนี่ก็เป็นตัวอย่างของกําลังใจทั้งหมดเลยเนี่ยที่อัลลอฮฺได้รวบรวมมามากล่าวม า, ม า, ม า, ม า, มาดํารัสไว้ในในสุรายุนุสเนี่ยเนื้อหาที่เข้มขน้นทั้งหมดนี่มันอยู่ในเรื่องราวของของท่านนบดุยูนุสและกลุ่มชนของเขา แต่อย่างที่บอกข่าวที่แล้ ว, วอ่ะอซูรยูนุสซึ่งซึ่งจะเป็นหัวกะทิในอายะของนบิยูนุสเนี่ยที่เป็นหัวกะทิของซูรัตยูนุ ส, สทั้งหมดเลยนะใช่ไหมอ๋อสาวบ้ า, าตแต่ก่อนหรือท่านนาบีไม่ได้ตั้งชื่อแบบมั่วๆนะตั้งชื่อนี่มีมีมีมีเป้าหมายที่มันเป็นเคล็ดลับที่ลึกซึ้งอ่ะเป็นหัวกะทิของซูรัตยูนุ ส, สทั้งหมดเลยนี่อายะของท่านนาบยูนุ ส, ส เกี่ยกับรืนบยูนุสีเอ่ยชื่อท่านนยบยูนสุสเนี่ยได้สรุปเนทั้งหมดใ น, นของสุรแต่มีเรื่องที่มันเข้มข้นกว่านั้นเพราะในสุรนีส่วนมากเนี่ยให้กาลังใจกับท่านดบี้สุลลัลเลวซัลลัมและคนที่ทางานเหมือนท่า น, นาบีลลัลเลวซัลลัมแต่ในอายะนี้ที่กับท่านนาบิยูนสุสเนี่ยเป็นการให้กำลังใจแม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธศรัทธานี่อันนี้แถมในอายะนี้มีแถม อิลล์เขามายูนัสทุกกลุ่มชนเนี um nya, ่ยถูกลงโทษปฏิเสธนบีของเขาเนี ik, ่ยถูกลงโทษทันทียกเว้นกลุ an, uk, ่มชนนบียูนุสนี่อัลลอฮ์ประวิงเวลาให้เขาประวิงเวลาให้เขาพอเขาได้สํานึกรีบสํานึกเนี่ยซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงโทษนะนะนบีนูห์อัลลอฮ์ให้มีหลักฐานว่าน้ํามันจะมาจากทุกสารทิศเลย พวกนบีนุนี่ที่ปฏิเสธน่าจะเห็นอะไรที่มันเนี่ยนบีนุนี่สร้างเรือมาตอนในที่ที่มันไม่มีทะเลอะแล้วพอเห็นน้ําแล้วเขาน่าจะน่าจะเก็ตหน่อยนะแม้กระทั่งลูกข่านนบีนุ่นเองน่ะน่าจะเก็ตหน่อยนะไม่ไม่ฉัยังไม่ศรัทธาดูันขึ้นบนยอดเขานูก็สมควรแก่การลงโทษแต่ คุณชนของนบียูนุสเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พรวิงเวลาเสมือนว่าอัาาาลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى รู้บางรายงานที่บอกว่าให้แค่สามวันใช่ไหมพอมาถึงวันที่สามแล้วเนี่ยที่มีรายงานว่าผู้นํา ข, ของเขาเนี่บอกว่าให้ไปดูยูนุสนถ้ายูนุสเนี่ยเตรียมตัวแต่เช้าตรู่เช้ามืดที่จะหนีออกจากเมืองเนี่ยนเะป็นสัญญาณว่าเขาพูดจริงและการลงโทษจะมาจริง พอเขาเห็นแล้วว่าในบิยูนุสเนี่ยเตรียมตัวจะออกจริงนี่นะเขารีบเรียกเรียกชุมชนของเขมามามามาหนึ่งแสนกว่าคนนะพี่น้องลองคิดดูดิแต่ก่อนนูนไม่มีรลยนะเรียกไหยแสดงว่าเขารีบขนาดไหมน่มนี่ี่แล้วก็ <rane S 2> เขากลัวจะไม่ทันนะว่าการลงโทษนี his his ่มันจะเกิดขึ้นนะนะแยกแยกยกเด็กแยกสัตว์แยกแล้วก็เอาผู้ใหญ่ไอ้พวกไอ้พวกเราในไอ้พวกตัวนี้นี่พวกเรานี่แยกถ้าการลงโทษลงมาจริงนะขอให้ลงโทษเฉพาะเออตัวดีพวกเราเนี่ยแต่พวกผู้หญิงพวกเด็กพวกสัตว์นี่น่าสงสารโอ้โอลอ่การนี่เขารีบกลับเนื้อกับตัวแล้วก็รู้ตัวนะรู้ตัวว่าเออสมควรแก่การลงโทษแล้วแล้วมาอัมานุกะชฟนาขนม อัลล์ยกเลิกการลงโทษอุลามาบางท่านได้บอกว่ามันอาจเป็นการรู้ล่วงหน้าของอัลลอ์เพราะเรื่องอิมานที่อยู่ในหัวใจของแต่ละคนแม้กระทั่งไม่ใช่อิมานที่มันจะปรากฏเป็นรูปธรรมหมายถึงว่ากล่าวศรัทธากล่าวการิมอนน่ะไม่ใช่ก่อนนี่จะเป็นอิมาเป็นเป็นคำกล่าวชัดเจนนะ่นะ หัวใจที่โน้มแนวและที่ที่แบบว่าลำเอียงแล้วที่จะศรัทธาแต่ก็ยังลังเลอยู่นะอัลลอฮ์ก็รู้เสมือนว่าอัลละฮ์รู้ว่าหัวใจของพวกนี้นี่นะแนวโน้มนว่าจะว่าจะศรัทธาเคยบอกกับพี่น้องว่าอย่าทำเป็นเล่นนะหัวใจของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเราจะมองแรกนี่ก็มองมองที่หัวใจของ พยายามที่จะให้หัวใจในี่มีความบริสุทธิ์เพียงพอถึงแม้ว่าการงานของเราในผลงานของเราในภายนอกเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะเราจะมองนี่มองที่หัวใจก่อนถ้าได้พบวนใน ห, หัวใจในี่มีความบริสุทธิ์พอใชได้พอใช้ได้ผลงานภายนอกของของเรานี่นะอัลลอฮ์ะจะทรงตีความให้สอดคล้องกับความบริสุทธิ์ใจเหมือนคนที่ฆ่าชีวิตร้อยชีวิตนะเราไปหลายรอบแล้วใช่ไหม Allah เห็นในหัวใจของเขาเนี่ยเขาอยากจะเติมบัตรตัวซึ่งความศรัทธานี่หมายถึงว่าการที่หัวใจของมนุษย์คนหนึ่งคนใดจะศรัทธาต่อ Allah سبحانه และกูฏานะนอกจากว่า Allah จะเป็นผู้อนุมัติจะให้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธานี่แต่การเลือกที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธานี่ Allah سبحانه และกูฏานาทรงเห็น ทรงเห็นความประสงค์ของมนุษย์แต่ละคนและพระองค์จะเป็นผู้อนุมัติถ้าเลือกที่จะศรัทธาพระองค์จะอนุมัติพระองค์จะไม่ปฏิเสธถ้าเลือกที่จะปฏิเสธศรัทธานี่อันนี้อยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่อนุญาตให้ปฏิเสธศรัทธาและจะพยายาม ชีวิตของเขาเนี่ยให้ไปทิศทางของการศรัทธาก็ได้แต่เราไม่อนุมัติหรือ Allah จะอนุมัติเอาเลือกปฏิเสธศรัทธาเนาะมาก่อนเพราะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยถ้า Allah ไม่อนุมัติแม้ว่าจะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกแต่ในกรณีที่มนุษย์จะเลือกศรัทธานี่นะไม่มีทางอื่นที่ Allah จะบังคับเขาว่าเอาเลือกศรัทธาฉันจะไม่ให้แกศรัทธานี่ไม่ไมีวะละยศดานี่ล l l a h บอกบอกกับตัวท่านเอง ว่าจะรับใล้พระองค์จะไม่พอพระัทยจะไม่ยินยอมที่จะให้เบาของพระองค์ปฏิเสธหมาย قت, ถึงว่าถ้าจะเลือกศรัทธาแล้วนี่นะอัลลอฮ์จะไม่บังคับให้เขาเนี่ยเลือกศรัทธาแล้วก็ไปปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเราจะไม่ทํากับเบาของพระองค์โดยเด็ดขาดมีสงทางจะเลืกจะเลืกไปมัสยิดหรือจะเลือก ไปคาสิโนหรือไปคาราโอเกะหรือไปผับถ้าจะไปมสัสยิดนี่นะอัลลอฮ์จะไม่ห้ามไม่ขัดขวางที่แปลกมากกว่านั้นนะแล้วถ้ามีกฎสภาวะใดๆที่จะขัดขวางไม่ให้ไปมสัสยิดนี่นะอัลลอฮ์จะนับผ ล, ลบุญของเรานีว่ว่าเสมือนไปมสัสยิดแล้วะจะ อ, อะไรมากกว่าเนี้แต่ถ้าเลือกไป ไปทางที่ไม่ดีอ่ะเามีสิทธิที่จะเลือกเราอาจจะเห็นว่าเบาคนนี้นี่อยากจะให้เป็นคนดีไม่ให้ไปอาจจะกำหนดอะไรบางอย่างที่จะให้เกิดขึ้นในเส้นทางของเขานี่นะขวางไม่ให้เข้าไปเส้นทางที่ทีเรวไร้หรืออัลลอฮ์อาจจะอนุญาตฉะนั้นในทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสทำความดี อย่าอ้างความดีถึงความฉลาดความเก่งของเราที่เรามายืนละหมาดนี่ที่เรามานั่งเรียนรู้กุรอานพระดำรักของอัลลอ์นี่นะกรเพราะอัลลอฮ์อนุมัติให้เราได้มีสิทธิ์มาทำความดีถวายแด่อัลลอฮ์และในทุกครั้งที่ทำความชั่วนี่นะให้นึกตลอด วันนี้มันเกิดจากการที่อัลลอฮ์ไม่ช่วยอัลลอฮ์ไม่ช่วยให้เราได้ห่างจากความชั่วแล้วก็ดันไปทำความชั่วซะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดสําหรับมนุษย์ทุกคนน่ะถ้าเขารู้สึกว่าพลังสำคัญในชีวิตของเขาที่ต้องที่ต้องช่วยที่ต้องผลักดันเขานี่นะถอนตัวไป สมมติว่าเรามีภรรยามีสามี ม, มีมีเพื่อนมีผู้ใหญ่คนหนึ่งคอย ช, ช่วยดูแลอ่ามีเพมีเพื่อนคอยให้กำลังใจช่วยดูแลเราแต่วันหนึ่งในเกิดวิกฤตในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อนไอคนสนิทของเราเนี่นะทิ้งเราไปทิ้งเราไปเลยจะรู้สึกยังไงมีเงินแน่นะมนะีมีเงินแน่เลยเอ้เพื่อนทิ้งกูได้ไงวะ เพื่อนเพื่อนแท้เปลนะ่าไหนว่าเป็นเพื่อนมีเรื่องทวงความเป็นเพื่อนความเป็นญาความเป็นคนสนิทแต่ทาไมพระผู้เป็นเจ้าของเรานี่ซึ่งเป็นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพต่อสรรพสิ่งทั้งหลายนี่พอเราได้ทำความดีเราไม่นึกว่าความดีนี้หนมาจากอัลละฮ์เป็นเตาฟีกเป็นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ แล้วเวลาทําความช่วยนี่ทําไมไม่นึกถึงว่าเราแย่แล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ช่วยเราเราแย่แล้วนะ <c oughs> แล้วผู้รู้ท่านหนึ่งได้ยกตัวอย่างในเรื่องละหมาดเขาบอกก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงน่ยมีอาจารย์อาจารย์ที่เขาทําเรื่องนี้เนี่ยเขาทำด้วยตัวเองเขาบอกว่าชมรมนักศึกษานี้เกิดขึ้นที่ประเทศยุโรปถ้าเยอระเศเยอรมันถ้าจะไม่ผิดนะ เขาชมรมมุสลิมเนี่ยเขาเขาเชิญเชิญอาจารย์คนเนี้ยไปบรรยายเขาก็เข้าไปในห้องบรรยายแล้วก็นักศึกษาก็มากันเยอะเขาก็มานั่งแล้วก็มองหน้าแป๊บนึงแล้วก็ลุกขึ้นไปมไม่ไดีบรรยายไม่ได้นั่งมองหน้ายิ้มหน่อยแล้วลุกขึ้นไปแล้วเขาก็สังเกตุ่ะ แต่ น, นจก็เป็นอาจารย์มีชื่อเสียงนะ ก, ก็นักศึกษาก็ไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรแต่ก็เคืองไงครเคืองทำหน้าแต่ก็ลงไปลงไปในแกนก็สังเกตว่ า, ามีชะเงอ้อจากหน้าต่างห้อะไรเปล่ามีอาจารย์มีอะไรเปล่าแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็เห็นหน้าตาของ นักศึกษาทุกคนนี่นะคือคือไม่พอใจแน่นอนเขาก็เลยถามว่าไม่ไม่โอเคใช่ไหมไม่พอใจใช่ไหมเครื่องใช่ไหมอะไรนะักุิชาการเชิญมาทั้งทีแล้วก็อยู่ดีๆก็าคือมาวางเอกสารมาวางหนังสือแป๊บนึงแล้วก็พับใส่กระเป๋าแล้วก็ลุกขึ้นไปเลยอะไรทำอะไรแบบนี้มีขนาดผมเนี่เป็นนักกุชาการแล้วก็พวกคุณเนี่เป็นนักศึกษานะพวกคุณยังเคืองเลย ขาบอกว่เรื่องนี้เน่เราทำกับพระเจ้าของเราทุกวันยังไงอ่ะถ้าเราต้อตงมาละหมาดเนี่ยละหมาดน่ยก็รีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบลาบรีบรีอร่ารีาเลยบรีบรีมรีบรีบรีบรีบรีบ่ีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบ น, น, นีบรีีบีรีบรรีบรีบอีบรีบรีีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีีบบบ เฮ้ยเดี๋ยวมันเวลามันจะหมดนะ้มันนานทีไงบดโลกนานทีเพราะเราทํากับอัลลอฮ์แบบนี้เนี่ยทุกทีแล้วไม่เคยนึกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะท่งกิ้วไหมอัลลอฮ์จะมองเรายังไงเหอครับว่าเออเราไม่ได้ถวายเวลาละหมาดเนี่ยความดีที่เราทำในถวายว่าว่าเรา ปิติยินดีเราเต็มที่กับอัลลอฮ์ในการทําความดีอทําแบบรีบรีบแบบลวกลวกแล้วยังให้เหตุผลกับตัวเองด้วยว่าเออสําคัญกว่าเรื่องนู้นสำคัญกว่าที่แย่กว่านั้นนะ่ะก็คือคนที่ไม่ละหมาดเลยอะ่ะไม่ละหมาดเลยชืนไม่ละหมาดทาไมไม่ละหมาดนะ่ะงานมันเยอะเคยได้ยินไหม งานมันเยอะไม่ละหมาดทั้งชีวิตนะนะไม่ละหมาดงานมันเยอะเอ๊ะเห็นว่าท่านก็มีไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไปเล่นนูน่นเล่นนี่เนี่ยมันมันก็มันก็ต้องมีบ้างอะเราจะได้ไม่เครียดอธิแฐานาว่าเรื่องดีๆที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราได้ทํานี่นะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทําอะไรให้ชีวิตของเรานี่ดีขึ้นเลยใช่ไหม เราไปเที่ยวทั่วโลกนะไปเที่ยวไปท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ไปทำฮัเนี่ยยังไม่ทำทำไมไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ไปเที่ยวทั่วโลกได้นะทุกคนก็ดูสิครับว่าในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างอัลลอฮฺอนุญาตให้เราเป็นผู้ศรัทธาทั้งทีเลือกมาแล้วนี่จคนในโลกนี่กี่พันล้านคนนี่ยนลละเราเลือกเรามาแล้วนี่อ่ะ เองเป็นมุสลิมได้อนุญาตให้เป็นมุสลิมไหนดูสิว่าเองจะจะเป็นมุสลิมแบบไหนยังไงจะเป็นผู้ศรัทธาประเภทไหนเราเสนอหน้าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วมาเสนอหน้าดิว่าเป็นผู้ศรัทธาผู้สวามิภักดิ์จริงๆผู้ที่มีจิตใจที่เต็มร้อยกับอัลลอฮสุภ า, า, ะาละวะตาลในการทำความดีเพราะอัลล์เลือกแล้วไงถ้าอัลลอ์ไม่เลือกละ่ะ เรื่องใหญ่อะถ้าเราไม่เลือกล่ะถ้าป่านนี้เนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังบูชาไฟายอยู่แถวอินเดียหรือบูชาอะไรก็ไม่รู้เนะ่ยทั่วโลกที่ก็บูชาอะไรสารพัดอย่างอะป่านเนี้ยเดียรนี่มีที่ก็บูชาหนูนี่เคยเห็นไหมเออเจอหนูนี่มานีนกาบเลยนะทําไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนกลุ่มนั้ น, น่ะ เราทรงและมีเราเรต้องมีผลแน่นอนว่าทําไมเราเราเราเราเรานี่ยแต่ละคนนี่นะทำไมจะต้องเป็นผู้ศรัทธาหัวใจของเราทุกคนเนี่ยต้องตอบกับตัวเองนี่รายบุคคลนะทุกคนต้องมาดูตัวเองนะกลุ่มชนของในบิยูนุสนี่ยนะแสนกว่าคนเนี่ย Allah บอกว่าอะมานุพร้อมเพียงกันเลยนะทั้งแสนกว่าคนเนี่ย อร่เมอา่งมากกว่าหนึ่งแสนคนนะ้อมเพียงกันเลยอนะศรัทธาทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยทั้งคนคนชราคนแก่คนพิการมากันหมดเลยอามานูศรัทธากันทั้งหมดสมูทสมูทที่เขากลุ่มชนของนบีโซเลนะี่ ที่ค่าอูดนะอูดที่เป็นมหาสจรรั์เป็นปีนิหารของนบีสอยเลยที่ข่าอูดนี่นะประชุมกันนะ่ะเก้าคนที่ลงมือเชื่ออูดนีนะ่คนเดียวแต่เราลงโทษกี่คนนะ่ะทั้งหมดเลยทั้งเมืองเลยทั้งเมืองเลยถ้าหากว่าผู้นำของเขาเนี่ย ได้ประชุมกันแล้วก็มีคนมาคัดค้านแล้วก็ห้ามซึ่งระบบชูรอที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องใช้ในในชุมชนในกลุ่มชนที่มีความหลากหลายเนี่ยการปรึกษาหารือเนี่ยต้องมีปัญญาชนที่คอยขัดขวางคนชั่วเลือกทำความชั่วที่เกี่ยวกับคนอื่นโดยภารการขัดขวางอะเรื่องมัน การลงโทษมันก็จะไม่เกิดขึ้นคนในเมืองนี่รู้ว่าไอ้กล่าวคนนี่กำลังวางแผนที่จะไปฆ่าอูดแล้วก็ยอมให้กูดอร์อิกูดอร์อิบนุซลิสเนี่ยไปฆ่าไปลงมือฆ่าอูดนะก็ไม่มีใครห้ามอัลลอถือว่าทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องถูกลงโทษหนึ่งแสนคนนี่นะโดยพร้อมเพียงกันมีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้ ว่ามีคนบางคนเนี่ยไม่เต็มใจไ ม, ไม่ได้แต่เขาเห็นมวลชนส่วนมากเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเราเราต้องต้องยอมรับความเป็นศัจธรรมของแนวทางของน บ, บิยูนุสเราต้องศรัทธา ม, มวลชนจึงจึงจึงมีผลทั้งสองด้านในด้านความดีด้านทำความดีและในด้านทำความชั่ว แต่ทั้งหมดเนี่ยลอสุภาโนวาตาล่ต้องการให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของพระประสงค์ของลอสุภาโนวาตาละ่ะที่จะเลือกพระประสงค์ของพระองค์ที่จะเลือกคนหนึ่งคนใดให้ศรัทธานั้นเป็นพระประกาสิทธิ์ของลอสุภาโนวาตาล่เพียงผู้เดียวไม่ใช่เราที่จะที่จะเลือกศรัทธา แล้วจะสำฤทิตผลด้วยความสามารถของเรานีไม่ใช่ก็ด้วยอนุญาตจากพระสผานาหัวตาเท่านั้นฉะนั้นในสิบอายาที่เหลือนี่นะอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เสียสดมากแล้วเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสำคัญในการสรุปเรื่องราวของสุรัตยูนุสประสุดท้ายพวกเราไม่ควรที่จะ ไปโกรธแต่คนนี้ไม่ศรัทธาไม่ไม่มคนนี้จะไปโกรธรับทำไมอ่ะผู้ที่อ น, นุญาตให้ศรัทธาเราเป็นใครอัลลอฮ์แต่เราต้องมาถามตัวเองว่าทำหน้าที่ในการดาว่าเขาในการเผยแพร่เขาหรือยังอันนี้นี่คือส่วนหน้าที่ของเราทำหน้าที่เสร็จแล้วเขาจะศรัทธาไม่ศรัทธานี่นะมอบหมายต่ออัลลอ์นี่คือเรื่องสาคัญที่ท่านที่อัลลอสุบฮานะวาตาะตะล ต้องการสั่งสอนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลลัลเพื่อลดความรู้สึกความรู้สึกไม่ดีของท่านนบีที่ได้เจอจากกลุ่มชนของเขาถูกปฏิเสธถูกรังแกถูกกานแกล้งเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือของอายาต่างๆในสุรตยูรุสเนี่ยอีกประมาณสิบอายานีน่าเราก็จะพยายามอ่านอธิบายสั้นๆเพราะมันเป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันนะครับ แต่ถ้ามีอะไรที่เพิ่มเติมก็จะที่ธิบายเพิ่มเติมในในใาในในในใอในในในในในในันในกนในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในใ่ในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในนในในตนในในในในนในนในนนนนนนนนนน บัญชาการให้ศรัทธาดังนั้นนะ่ะเขาก็จะศรัทธาคำถามว่าแล้วทำไมอลัลลอฮอันนี้ส่วนมากเขาจะมามามาเล่นแง่กับหัวใจสมองของเยาวชนเอราถ้าในอลัลลอสามารถบัญชาการแล้วทำไมแล้วทาไมให้เราให้มีบางคนนปฏิเสธศรัทธาเขาจะได้ถูกลงโทษและเข้านรกละ่ะ เพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะบัญชาแบบบังคับ ม, มาเหมือนมลายกาเพราะมนุษย์นี่มีความเหนือกว่ามาลายกาเลาต้องการให้ความศรัทธาของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นด้วยความประสงค์ของเขาเองแต่อัลลอฮ์จะให้มนุษย์ในอยู่ที่นีน่ทั้งหมดเนี่ยศรัทธาเรารับบังคับได้บังคับให้ศรัทธาเลยแล้วเขาต้องศรัทธาเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเดินมาหาอัลลอฮ์เอง ตั้งใจนี่แบกสัมภาระตัวเองทุกอย่างเนี่ยไปไปไหนไปหา Allah อ้าลูกเมียซับสินนั่นนะมึงไปหา Allah ไอ้แบบนี้เนี่ยเรียกว่าศรัทธาศรัทธานี่เพราะอะไรเพรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไงสิทธิ์ที่จะเลือกพอเลือกแล้วนี่ศรัทธาแม้ว่าจะมีอะไรที่มันขัดขวางอะไรที่มันที่มันกีดกัน เขาเลือกไปกว่าศรัทธาถ้าฝั่งตะุกขี่วันน่าสัพแต่กูนุมมินเจ้าจะบังคับมวลชนจนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธากระนั้นหรือหมายถึงว่านี่ขนาดพระเจ้าของเขานะพระผู้อภิบาลที่สร้างมนุษย์ทั้งหลายนี่นะไม่ได้บังคับโอ้โมฮัมหมัดแล้วเจ้าจะบังคับเขาได้ยังไงขนาดอัลลอฮ์นี่ไม่บังคับในเรื่องศรัทธานี่นะอิสลามก็บอกว่าไม่มีบังคับ ทุกคนเนี่ยต้องตัดสินใจเองไปหาอัลลอฮ์นี่นะเดินทางไปหาอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรู้รู้ตัว่า وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ดูจำแนกแล้ว่าคนที่ศรัทธานี่คือใคร ไม่เคยปรากฏว่าชีวิตใดจะศรัทธาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของ Allah. อัลลอฮ์อันนี้ต้องเข้าใจใครจะศรัทธาเราเราก็ต้องอนุมัติเหมือนกันนะแต่เราจะไม่ขัดขวางนะแต่อัลลอฮ์ต้องอนุมัติเราจะได้รู้ว่าศรัทธาของเรานี่ยมันมันคือความสามารถของเราคนที่ศรัทธาโดยไม่คํานึงถึงพระอนุญาตของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาแหละแท้จริงแล้ว เขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเท่ากับเขากําลังบอกว่าฉันนี่จะศรัทธาแต่ Allah ไม่ให้ฉันศรัทธาแสดงว่ามีเรื่องเกิดขึ้นในโลกเหนือกว่าอนุมาตจากอ Allah นี่สแสดงว่า Allah นี่เดชานุภาพของพระองค์อํานาจพระองค์นี่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่พระเจ้าสแสดงว่าคนที่เชื่อว่าสามารถศรัทธาโดยที่ Allah ไม่อนุญาตนี่นะเชื่อในพระเจ้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ศรัทธาเป็นเป็นการศรัทธาที่ ที่มีความบกพร่องเราเชื่อในอัลลอฮ์นี่ศรัทธาเชื่อในอัลลอฮ์ที่มีอำนาจบริบูรณ์เชื่อในใจนี่เนี่ยฉันเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์จะให้ฉันไม่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอย่อมทําได้เพราะนี่คือเหตุผลสําคัญของความศรัทธาว่าฉันเชื่อในอัลลอฮ์ไงไม่มีตรงนี้เนี่ยแสดงว่าพระเจ้าที่ฉันศรัทธานี่แบบไหนอะพระเจ้าอย่กระบอหม้อแต่จิละ และที่บางลทัทธินี่บอกว่าความดีในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างทั้งนั้นแนหะแต่ความชั่วนี่นะอัลลอฮ์ไม่อนุมัติเพราะถ้าเราพราะถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์อนุมัติให้ความชั่วเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าในการกระทําของอัลลอฮ์ะจะมีความชั่วเขาก็เลยเชื่อกลุ่มนี้นะเขาก็เลยเชื่อว่า ความชั่วนี่มันเกิดจากมนุษย์เองโดยที่อัลลอ์ไม่รับรู้พระเจ้าแบบไหนนีมนุษย์ทำอะไรแล้วก็พระเจ้าไม่รับรู้พอกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมีกลุ่มที่มาแซงบอกว่าโอ้รับรู้เฉพาะความดีแต่ความชั่วไม่รับรู้นี่ไม่แมกซเซนที่จริงแล้ว พระเจ้าจะรับรู้เฉพาะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่นะพระเจ้าไม่รู้ทั้งนั้นนะ่ะจะดีหรือไม่ดีนี่นะพระเจ้าไม่รับรู้นี่คนเรียกอัลกัดารียัลกูละคนที่เชื่อในในเรื่องความรอบรู้ของพระองค์ที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้มีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยซาร์บะไม่สมัยนบีนะสมัยซารนบีเ ส, สียชีวิตไปแล้วมีคนที่มาบอกว่าอันลอัมรอุนฟ คำตอบเราเนี่ยเราเมื่ทันพวกนี้เรากน็กนี่ไปบอกเลยนะบอกกับลูกศิษย์บอกกัไปบอกให้หน่อยพวกนู้นนะ่ะนะที่มันเชื่อว่าอันนั้อัมรออุนุฟวนกิจการการงานทั้งหลายนี่นะพระเจ้านี่จะรู้เมื่อมันเกิดขึ้นก็มหมายถึงว่าเหมือนเราเราเนี่ยเหมือนเราเราเนี่ยก็้องวงจรปิดเนี่ยจะรู้เรื่องอะในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดแต่ในอนาคตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าไม่รู้ ผู้ศรัทาไม่เชื่อพระเจ้าบกคร่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแต่เราเชื่อในพระเจ้าที่สมบูรณ์พระเจ้าที่สมบูรณ์เนี่ยต้องรู้หมดเลยรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้อะไรอยู่ในหัวใจรู้ว่าเราจะทํารู้เราอยากจะทําอะไรเพราะพระเจ้ารู้หมดฉะนั้นจะทําอะไรนี่ก็ต้องอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาแหละแต่อนุมัตินี่ไม่ได้หมายถึงว่าบังคับอนุมัติไม่ได้หมายถึงว่าบังคับ เราจะยกตัวอย่างเพื่อให้รับรู้แต่ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างนี้กับอัลลอฮ์นะวะลิลละฮิลมาซุลอะอัลอุลอทธะหอ น, นี่เพื่อเข้าใจไม่ได้อุตตะหอนเพื่อไม่ได้ยกอุทธะหอนนี่เพื่อเปรียบเทียบอุทธะหอนกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครูสอนนักเรียนอูห้องหนึ่งห้องนั้นไม่มีสักยี่สิบคนไม่ต้องเยอะนะท่านักเรียนห้าสิบคนในะบางที่เนี่ยครูเนี่ย สอนไม่ทันนะ่ะมีนักเรียนสักกี่สิบคนครูนี่สอนทุกอย่างเลยนะสอนแล้วก็รู้นิสัยเด็กนี่ทั้งปีเลยนะแปดเดือนผ่านไปแล้วนะครูนี่ไอหมอนี่นะสอบผ่านไอนี่เนี่ยไม่น่าจะรอดไอนี่ไอนี่ผ่านไอนี่เกง่งไอนี่คะแนนสูงแล้วปรากฏว่าที่ครูพูดนี่นะแปะ๊แปะๆปะ๊ป๊ป๊ะและ้ว เฮ้ยครูนี่มันมันอะไรอ่ะเป็นพระเจ้าอ่ะกำหนดชะตากรรมขนาดนั้นเลยอ่ะไอคนนี่ผ่านก็ผ่านคนนี่ตกก็ตกอย่างนั้นเลยไม่ใช่เขาบอกว่าครูนี่เขาคุกคีกับลูกศิษย์เนี่ยจนรู้เลยนิสัยยังไงใครดูหนังสือใครไม่ดูนักใครเก่งไม่เก่งใครมีความสบนี่ขนาดมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะี่นะคุกคีแค่แปดเดือนนี่นะก็รู้แล้วชะตากรรมเป็นยังไงแล้วพระเจ้าล่ะอันนี้ว่าอุทาห์หอนี่จะได้เข้าใจครูนี่ไม่ได้กาหนดชะตากรรม a l l a سبحانه และก็ดลไม่ได้บ so so ังคับใครอามะให้เลือกแต่แน่นอนชะตากรรมอย่างเราต้องอนุมัติก่อนให้ขึ้นอนุมัตินี่แ่ะคือเดชานุภาพของอามะที่เราบอกว่ากระดลกรดอนนีนะเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดด้วยอนุมัติจากอาไม่มีอนุมัติในอะไรไม่เกิดไม่ได้ و أ ج ع ل ا ل ر ز ق على الذين لا يعقلون ใครล่ะที่จะไม่สัตย์นี่อามะไม่ได้บอกนะความโสโครกโศมมและการลงโทษจะประ ประสบกับคนที่ไม่ศรัทธาไม่และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ไม่ใช้สติปัญญาเท่ากับว่าคนที่คนที่ไม่ศรัทธานี่ก็คือคนที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเท่ากับผู้ว่าความศรัทธานี่คือการที่มีสติปัญญาใครที่ใช้ต้องใช้สติปัญญานี่ให้คุ้มค่า ใช้สติปัญญาให้คุ้มค่าพาออะไรเพราะบางทีเนี่ยคนที่ทำความชั่วบางคนนี่นะก็อ้างสติปัญญานี่แหละอ้างสติปัญญาในการทำความชั่วสี่คูนร้อ ย, อยใครทำคนมีปัญญานะสิ่งเสีพติดทั้งหลายอย่ะเล่าอ่ะเออเล่ายีห้อดีๆเนี่ย คนมีปัญญาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมก็นี่ก็สติปัญญาแต่ไปใช้สติปัญญายัางไงอะมีสตินี่หมายถึงว่าเวลาเราพูดให้ต้องแค่ต้องมีสตินะสตินี่หมายถึงว่าอะไรแยกกัแยกอะไรดีอะไ ร, ะไรชั่วต้องมีสติมีสตินี่หมายถึงว่า ใช้ปัญญาในการนี่จะเลือกสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ชั่วนี่เอาหลี่ออกไปจากทางของเราแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์อ่าเนี่ยนะ่ยมีสติแต่ถ้ามีสติและนําไปสู่ความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่สติถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนฉลาดก็ตามและนี่เหตุผลว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์แพทย์นักปราชญา์ นักวิชาการเยอะเลยในโลกเนี้ยไม่ศรัทธาเพราะอะไรสติเขาไม่ถึงอะโห้เขาระดับ Doctor, ด็อกเตอร์ระดับปริเฟซเซอร์ระดับระดับนใช่ใช่แล้วก็เห็นไงปัญญาชนที่ที่เป็นแกนนำในสังคมที่คนในสังคมนีบมองว่าเออชีวิตของเขานี่โอ้ชีวิตของเขานี่เป็นตัวอย่างไงของความสำเร็จ คนดังในสังคมคนมีงานที่โดดเด่นในสังคมดังแล้วไปสุดท้ายนี่ก็ไปจบที่แซีนัใช่ไหมเป็นคนดังในสังคมอะต้องยอมรับเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเงินเดือนดีงานดีคนดังในสังคมทุกอย่างนี่อัไหนสมบูรณ์แต่สุดท้ายนี่จบชีวิตด้วยตัวเองด้วยเซียนไปไหนสติปัญญาความสมบูรณ์ทุกอย่างนี่นที่ที่ที่ที่ให้ชีวิตของเขานี่มี เป็นเป็นแบบองงย่างเนี่ยไปไหนอะนี่ว่าในชีวิตของเราเนี่ยทุกคนนี่นะอัลล์บอกในคุรานนะบลิลอินซานวลนัีบะซีรทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองดีรู้ตัวเองดีงดที่กำลังทำความดีที่กำลังทำความช่วรู้นที่กำลังทำความช่วนี่มันมันไม่ดีรู้มันไม่ดีดตัวเองรู้ว่ามันไม่ดีจะให้สติ ปัญญาของเราเนี่ยมีอำนาจในการบังคับบัญชาเนี่ยนี่นี่คือประเด็นมีสตินะที่ไปดื่มในผับเนี่ยไปเมากันเละเลยเนี่ยนะระดับนักการเมืองระดับท็อปๆค น, คนปัญญาชนของสังคมอะ่ะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกเมาเอกันเลยเพราะอะไรอะ่ะ ก็ประตัดตอนที่จะทําความชั่วนี่ไม่มีสติสตินี่ไม่สามารถบังคับบัญชาชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ห่างไกลจากความชั่วเอาแล้วจะทํายังไงเนี่ยคือสติของเรานี่มันก็อยู่ที่เรานี่แหละจะให้สตินี่ใช้ใช้สติในการบังคับบัญชาชีวิตของเราเนี่ยให้คุมเกมะนะให้มันอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในหลักการอยู่ในความถูกต้องไงนะ เราต้องให้สติปัญญาของเราเนี่ยคุ้นเคยกับคุณงามความดีสติปัญญาถ้าไปอยู่กับคนชั่วนะนะปัญญาก็จะไปจะไปเก่งกับเรื่องชั่วนะ เ, เก่งกับเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องไม่ดีแต่ถ้าไปอยู่กับคนดีสติปัญญาก็จะลองดิไอคนดี ประดิษฐ์เรื่องดีๆใน lab เนี่ยอยู่ในล a บทั้งวันทั้งคืนได้ประดิษฐ์ยาได้ถ้าพวกนี้นี่นะใช้ชีวิตนี่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยในในบาร์ดื่มเหล้าทั้งวันทั้งคืนนี่เน่ยเขาเขาจะมีผลงานไหมเป็นไม่ได้เป็นเป็นไม่ได้ <laughs> <ankind> สติปัญญาที่ทำให้เราเนี่มองรอบรอบด้านอุล wa ิญดูรูมาะฟิสเมวาติวลอาร์ดจงกลาวเฮ์ฮุอ้มุฮัมมัด พวกท่านมนุษย์นะพวกท่านจงดูว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินมีอะไรที่หน้าพิจารณาหน้าวิเคราะห์มีอะไรละ่ะอุลิญซุรุมาดะฟิส์สเมวาตว์ลอารดจงกล่าวเถิดโอ้โมฮัมหมัดพวกท่านมนุษย์นะพวกท่านจงดูว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินมีอะไรที่หน้า พิจารณาหน้าวิเคราะห์มีอะไรละ่ะมีอะไรที่น้าวิเคราะห์ทุกอย่างนี่ทุกอย่างนี่จะจะเป็นตัวอย่างเป็นหลักฐานนําสติปัญญาของเราเนี่สู่ความศรัทธาแตอุลามาหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้ยกตัวอย่างเขาบอกว่าคนเรานี่ถ้ามองรอบด้านนะนะถ้าอยากจะรู้จักอัลลอฮ์จากสิ่งรอบด้านเนะี่ยไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะนะไม่ต้อง ไปเข้าป่าไม่ต้องไปขึ้นภูเขาอิมาลัยไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเอารอบด้านเนี่ยข้างบ้านในมีอะไรมีต้นไม้ไปท่องในห้องในบ้านในมีมดมหมมีมดมหมลองไปดูดิไปตามดูมดนี่แล้วก็ดูมหาสจัจนะของของสัตว์ตัวเล็กๆนี่ที่อยู่ในบ้านมแมลงแมงที่ถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพนะมันมีรอบด้านนี้มีอูเลมดูมาดะฟิสสเมวาติวอลอ ไม่จะเป็นต้องมีกล้องของนักดาราศาสตร์จะได้มีดูดวงดาวนรือู้อะไรยิ่งใหญ่ในในจักรวาลไม่ต้องขนาดนั้นแต่ถ้ายิ่งมีเครื่องมือมากขึ้นทําให้เราเนี่ยเข้าใจโรบรอบด้านนี่มากขึ้นนะั่นะมันก็ยิ่งดี إ ي م านของเราเนี่ก็จะยิ่งแม่นในสิ่งที่เราศึกษาเพิ่มเติมในแผ่นดินและลและในชั้นฟ้าทั้งหลายแต่ถ้าว่า รอบด้านนี่มันมีอะไรที่ชวนศรัทธาทั้งสิ้นนะ่ะนะแต่เราไม่ยอมใช้สติว่มาทุกนิลอายะตวนนุดรวางเข้ามิละอยูมินุตและสัญญาณทั้งหลายและการตักเตือนทั้งหลายในพระดารักของอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่อํานวยผลแก่กลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาคาว่าไม่ศรัทธาตรงนี้นี่นะเอาไปใช้กับคำวาลยายะกิลูน่นคือไม่ใช้สติในอายะก่อนนัน้นนี้ใครบอกว่า Allah จะลงโทษแก่คนนี้ไม่ใช้สติผู้ที่ไม่ใช้สติคือผู้ที่ไม่ศรัทธาใช่ไหมแต่ Allah ไม่บอกว่าไม่ศรัทธาเพราะการนี้ไม่ศรัทธาเนี่ยมันมาจากเหตุที่เขาไม่ได้ใช้สติเช่นเดียวกันองค์การอะไรจะมีประโยชน์กุรอานอะไรจะมีประโยชน์สิ่งยิ่งใหญ่ที่เ Allah สร้างรอบด้านเรานี่มันจะมีประโยชน์ประโยชน์อะไรล่ะกับคนที่ไม่ศรัทธาอ้าวคนนี้ไม่ศรัทธานี่มันเพราะไม่ใช้สติไง ไม่ศรัทธานี่คือไม่ใช้สติเพราะมีอะไรมากมายในโลกรอบด้านนี้นะแล้วก็ไม่เคยเอามาคิดไอบาดาที่อุลมามะนี้บอกว่าคนส่วนมากนี่ไม่เคยไม่เคยทํากันไอบาดาตุตตฟักกุลไอบาดากรอัลระบุชัดเจนแล้วก็นบีก็ทําอย่างชัดเจนนะใครครวญใครควรกับอะไรใครควรกับโลกสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้ อ่าฟะลาตัดต่ฟักกรุนอ่าฟะลา ต, ะตะัดตระกกรุนอ่าฟะลาตกักกลุน่นในคุรานี่เยอะเลยมีเนื้อหาเดียวอ่าฟะลาตัดต่ไม่ใครควรเนาะอ่าลาตกกลไม่ใชสติกันเนาะพูดหลังจากที่พูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉันฟาแผ่นดินานา้าภูเขาแม่นาม้าทะเลอฟ่ฟลตะตฟกรุนทาไมไม่ใครควรไม่ได้พูดถึงกุรานนะพูดถึงสปปสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้ทาไมไม่ใช่สติทาไมไม่ใครควร อิบานาที่คนนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันว่างๆนี่ต้องมองฟ้าฟ้ามองมองสิ่งที่อัลลอ์สร้างแล้วก็พยายามใคร่ควรถึงเดชานุภาพผถึงพระเจ้าที่เราศรัทธานบีก่อนนี่จะเป็นนบีนะนบีมุฮัมมัดนี่ก่อนนี่จะเป็นนบีมุฮัมมัดเนี่ยทำอิบานานี้ซึ่งเป็นอิบานาที่ถ่ายทอดมาจากศาสนาของท่านนบีอิบราฮีม ب ر ا ل ل ه و ك ذ ل ك ن و ك ذ ن إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ول يكون من المؤمنين. لشني لا؟ رواه ي ن ب ي إبراهيم ن ق أمناط ของเรา في ش ن ف ا ر ب هاي إبراهيم لا كاي كوان. ت ن ب ي محمد نهى. نهى. ไิบาเด้านี่เนี่ยท่านยิงคอดีจานี่ได้ร่งงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลาฮุวะซัลลัมกวดีจะรับว่าอยู่นะก็จะชอบออกไปทาไมบานเดนี่ก็อัตหันุสอัตันุสแต่ตัวจะออกไปไหนเนี่จะบนนูใครเคยไปมกนอีน่ะภูเขาอนุนี่เภูเขาที่โดดเด่นมากขึ้นก็ยากนะ แต่ขึ้นที่นู่นนะก็จะเห็นจะเห็นหมดเลยแล้วก็วิวอะวิวของชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็เมฆแล้วก็ทุกอย่างภูเขาทั้งหลายเห็นหมดเลยอยู่ที่นู่นนบีทําเรื่องเดียวนี่คือตะฮันนุสตอนนั้นยังไม่มีละมานะตอนนั้นยังไม่มีสํานวนอัลการ์ต่างๆตะฮันน ah ุสพระเจ้าของฉันพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งนี่นี่เป็ น, เ ป, นเป็นชั่วโมงชั่วโงเงี้ย มองเป็นชั่วโมงจะตะหันุสคนที่เดินป่าที่เป็นมุสลิมมืนะควรที่จะมีอิบาดานี้มากกว่าคนอื่นหรือว่าคนที่เขาไม่ศรัทธานี่เขาอยากจะเห็นอะไรที่มันเด็ดเด็นี่มนุษย์ประเภทนี้มนุษย์สนๆนะอะไรที่มันเรียบเรียบง่ายนี่นะ่ยไม่ชอบมันต้อง เด็ดๆต้องสนุกไอ้ศรัทธาแบบใครควรแบบศึกษาแบบเอาแบบเด็ดเแบบชัดชพระเจ้าจริงอะนะให้เห็นนะนี่เราจะถูกลงโทษยังไงนี่คือเหตุผลของผู้ปฏิสัทธากับบรรดานับีลาบิและรอซูลหลายยุคหลายสมัยนบาบจริงอนะลงโทษเลยเอาเลยคุ้นคุ้น นี่ใสอันตพานน่ะมาเลยมาเลยมาเลยไหนขอรู้ของจริงเลยมาเลยอะไรอ่ะนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องศรัทธาในพระเจ้าแห่งภาคฟ้าและแผ่นดินอ่ะเออธนบะีจริงอ่ะนะลง ด, ดเลยเอาเลยใช่เหรอต้องการสนุกแบบนั้นน่ะไอ้นี้ขนาดคนที่ท้าทายอัลลอฮ์แบบนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ยังป ร, ประวิงเวลาให้เขาแตําำนีด ฟะอ์ลีนนลลนากกา่นทั้งรู้นั่นแหละมิลล์อยามที่ที่ น, ท น, น, น, าานั่งทาานนี่นันกกนนะน่ ง, ะนะงที่นัง่งที่น่งทีนั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งทั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งท่ั่งที่นั่งที่นั่งทีนั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งทม่นั่งที่นั่งคี่น่งที่นม่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งทัยงที่นงี่นัง่นันัที่นั่งที่นั่งทนทษ เขาคอยดูวันลงโทษที่ประชาชาติยุคก่อนเนี่ยเขาเคยถูกลงโทษมาก่อนหน้านี้เขาคอยวันนี้จะได้พิสูจน์ว่าอัลลอฮ์มีเดชานุภาพมีความสามารถจริงหรือเขาาต้องการหลักฐานแบบนี้หรือจะได้รู้ว่าพระเจ้านี่มีจริงหรือจริงเนี่มนุษย์แต่ละคนนะเนี่ยความเป็นอันตพาดึงเนี่ยมีนิดๆครับ ต้องเห็นของจริงจะได้รู้ว่านรกมีจริงเออราก็เห็นนะนะแต่ละเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติที่อัลลอ์สร้างไว้ผู้สทธานี่ก็ต้องก็ต้องวงเล็บเนี่ยภัยธรรมชาติที่อัลลอ์สร้างไว้หลังจากนั้นนะนะจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมมานะ <c oughs> สำนึก ทบทวนจําได้ไหมใครทันมรสินามิเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งที่เขาแบบว่ารับอิสลามใหม่ๆแต่รับอิสลามแบบยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่มั่นคงรับอิสลามเพราะจะแต่งงานก็เลยเข้าใจว่าอิสลามนี่ก็คือแค่แคแค่แค่สถานะสถานะแต่เรื่อศรัทธานี่มันแต่ว่าก็สนามิเนี่ย ทำให้เขารู้ว่าพระเจ้านี่มีทิงแต่บางทีเราไม่ต้องรอหรอกให้เจอบทลงโทษอะไรขนาดนี้แต่ก็มีคนหลายคนก็เป็นแบบนี้ละมาดสิไม่ว่าเออหน้าละมาดหน่อยหน้าอืมไม่แล้วไม่ว่งไหนว่างละมาดอือไปหาหมอก่อน หมอบอกว่าอีกหกเดือนบางคนละหมาดกันยังไงพอหมอเขาบอกว่าท่านจะมีชีวิตแค่หเดือนอ๋อต้องเจอบทนี้ใช่ไหมต้องเจอบทนี้เนี่ยต้องไปเจาะเลือดแล้วก็อ๋อเองมีโรคปะอยู่ไม่ได้แล้วแค่หกเดือนสามเดือนเจอบทนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วไปหาทุหัน แล้วก่อนนี้เนี่ยนี่กจะไม่ไปใช่ไหมไม่ไปหาทูฮันใช่ไหมก่อนนี้เนี่ยกั น, กนนี่นน ก, นกูเออใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยเหมือนมีบางคนเนี่ยวางองชีวิตเขาแบบเนี้ยสนก็สนไปนะสนสนสนไปพอแย่แล้วอ่ะนะพอกะเกษียณแล้วพอกระดูกลุ้นแล้วก็อะไรแล้วนี่ก็ค่อยก็ค่อยมาละหมาดมาเข้าสู่เรากันบางคนทําอย่างนี้จริงนะวางแผนชีวิตของเขาแบบนี้จริง คุมอิจามเดยไปทําหัดก่อนแล้วเมื่อจะเป็นพัดเน่ยเป็นโต๊ะก่อนเป็นโต๊ะซะ ก, ก่อนโต๊ะนี่ไม่ใช่ไม่ใโต๊ะนี่นะเป็นหญ้าเป็นย้ า, ย, ายก่อนให้เคี่ยวอาหารไม่ได้ก่อนออรอรอขนาดนั้นเลยต้องมีบทขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องแต่ให้หลวงพอเขาต้องการนะ่ะคือต้องการอะไรติดเด็ ด, ด, ดแล้วบางทีเนี่ยลง บทลงโทดลงแล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนะ่เราไม่รู้นี่ว่าเราจะมีสติเพียงพอเราจะมีทางเลือกเพียงพอที่จะเลือกสัตยารือไม่ถ้าจะรอแบบนี้นาะอัลลอฮฺ um ุลฟันตัรูอินนีมะกุมมินะลุนตั้จรีจงกล่าวเถิอมุฮัมมัดพวกท่านจงคอยดูเถิดแท้จริงฉันก็เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้คอยดูหมายถึงว่าเรื่องนี้ก็ไม่ดีขึ้นอยู่ที่ ตัวท่านเองอะนะท้าทายนบีเราราสูลท้าทายพระเจ้าว่าถ so <qu> ้าพระเจ้านี่ม <as> ีจริงเนี่ก็ลงโทษมาเลยและพระเจ้าเนี่จะได้พิสูจน์น่ยก็ลงโทษหรือไม่อยู่ที่อยู่ที่พระประสงค์ของเราทั้งสิ้นฉันก็จะรอคอยเหมือนไม่ด้อยู่ที่พวกเจ้าซุ่มมนุนจิรุสัลนะ والذينآمنوقداليكحقاًعليناننجلمؤمنين ข้อนี่จะรอดนี่คือมุสตาฮัยเงยเราจะช่วยบรรดา ر س ูลของเรา และบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นเราอยากจะรับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้รอดแ น, น, น่นอนนินอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาปลอดภัยที่สุดเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะช่วยให้พ้นกะแรลิกะฮักกะนาไลนาเช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่ของเราอัลลอฮ์บอกก็เป็นหน้าที่ของฉันแล้วเนี่ยที่เราจะช่วยบรรดามุสลินบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นการันตีนะ ประกันเลยนะเป็นผู้ศรัทธานี่รอดผู้ศรัทธาที่รอดนี่ก็คือแบบฉบับกูอ่านล้วอดีสนะไม่ใช่แบบฉบับคนดีไลฟ์สดนะอ๋อต้องเป็นแบบนี้แบบนี้จะได้รอดทำไมงั้นอากีได้ใช้ไม่ได้นี่ไม่ไม่ต้องไปฟังพวกไม่ต้องไปฟังพวกนี้นะอยากจะรู้ว่ารอดไม่รอดนี่นะไม่ไม่ใช่ไปดูจะ บางคนนี่นะความศรัทธาของเขาเนี่ยมันก็ศรัทธาแบบติ๊กต็อกแบบฉบับติ๊กต็อกพอถามจริงเนี่ยว่าไอ้คนนู้รอดไม่รอดเนี่ยเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยอาจารย์เขไลฟ์ที่ไหนติ๊กต็อกคือตะก่อนนู้นนะนะเวลาเถียงกันอะไรเนี่ยแค่อ้างอะไรที่ไม่ใช่กุณอ่านก็หาดีสีก็แย่แล้วนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยบอกว่ารอดไม่รอดเนี่ยเอามาจากไหนอาจารย์คนนั้นบอกที่ไหนบอกบอก อาจารย์เอามาจากกุตอาเอามาจากหีานิสไม่อาจารย์พูดที่ดิจ t ตอพูดใ น, นไลฟ์สดนะครับมีมีแพลตฟอร์มอะไรเยอะแยะนี่ผมก็ไม่ทันนะไม่รู้อะไนี่เยอะแยะไปหมดเราก็ไม่ทันเขาแต่สุดท้ายนี่นะสั จ, จธรรมนี่มันไม่ออกนอกกรอบนี้แลหละครับกุอศลและหานิสนี่แลหและ แล้วไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากนะครับไม่ต้องผ่านต้องผ่านอุลมามะซา อ, อดุดีผ่านอุลมามะอัจฮัดผ่านนัมาการันตีว่านิกาอีกินาถูกต้องต้องอาชาร่าจะได้ถูก ต, ต้องต้องเซลฟี่จะได้ถูกต้องหรือไม่ตามถามว่าผมนี่จะผมนี่จะศรัทธามผมศรัทธาตามนบีและสุฮาบะรอดไหมาถามทั้งสองกลุ่มนี่แหละผมไม่ศรัทธาตามบิมบาสไม่ศรัทธาตามมิโนไซมินไม่ศรัทธาตามอัลบานี แต่ผมศรัทธาตามนบีละซารอดไหมรอดสิบอกอาชัยรอี่ผมศรัทธาตามนบีละระซุนเนี่ยรอดไหมถ้ามีใครบอกว่าศรัทธาตามนบีละฮาบามัไม่รอด น, า น, า น, านั่นนะมันนะไม่รอดทาไมอ่ะเพราะอัลลบอกในคุรานแทอินอมานบิมิสลิมาอมันตุมบิฟะกดถ้าพวกเขาคือกาเฟตเนี่ยศรัทธาเหมือนที่อมันตุมโอนบีละฮาบานี่ศรัทธาแล้วเนี่ยนะฟะกดีเขาถือว่าได้ทางนาเรียบร้อยแล้ว ศรัทธาของนบีละซารมาเป็นมาตรฐานน่ะเราจะเอาใครเป็นมาตรฐานน่ะไม่มีน่ะภูรูร้นี่แน่นอนมีความสําคัญเราจะต้องเอาผู้รู้นี่นะมาอธิบายเนะี่ยว่าจะได้ศรัทธาเหมือนซาร์บาลนะีแต่เราต้องศรัทธาอย่างนี้ใช่แต่ผู้รู้ไม่ได้เป็นมาตรฐานเป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานนะเฮ้ยทำไม่ตามมิมบาสไม่ตามอัลบานีไม่ตามอาัชชารีไม่ตามอุลามะอาซันนี่ไม่รอดไม่พูดแบบนี้ไม่ได้ แล้วใครที่พูดแบบนี oo, ene, ้นี่หลงหลงศาสนาน่นอนลงท้กลับมากลับมากับมามาตั้งหลักให้ดีนะในอิสลามนี uh u, ่ไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะทางนำโดยเฉพาะคำพูดเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้าความพูดเนื่อกจากคำพูดอัลลอฮฺละอูสูลเท่านั้นนะแล้วของมนุษย์น่ยของมนุษย์นี่าสอดคล้องกับอัลลอฮฺละอูสูลนะศักดิ์สิทธิ์ไม่สอดคล้องกันเลยมัมชาฟีได้บอกตัวอิมามชาฟีบอกว่า ถ้าคำพูดของฉันนี่สอดคล้องกับฮัดินาบีเนะี่ยเอาเลยแต่ถ้าไม่สอดคล้องกันนะคุณคว้างไปคว้างไปเล ย, เลยอุลมามะเขาแนะนำแบบนี้แล้วเราการันตีนะถ้าศรัทธาเนี่ยอัลล์จะให้รอดให้รอดพ้นแล Allah ้วเราได้ยกตัวอย่างอัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างในสิ่งที่อยู่รอบ ด, ด้าน ที่สามารถเอามาพิสูจน์อว่าพระเจ้าของเรานี่มีจริงและให้ท่านนาบีสุลตลฮะลอิยัลสลามได้นำเสนอแนวทางนี้ในการใคร่ครวญเรื่องที่รอบด้านกุลียาอายุฮันนาสุอิงคุณตุมฟีชชกกิมมินดีนีฟะลาอาบบุดุลละดีนัตอบุดูนินดูนิลลาจงกล่าวถิดโอ้มุฮัมมัดโอ้มนุษย์เอ๋ยหากพวกท่านสงสัยในศาสนาของฉัน ดังนั้นฉันจะไม่เคารพพักดีบรรดาที่พวกท่านเคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์ก็คือบรรดาจเจวิตนะถ้าสงสัยในศาสนาของฉันนี่นะฉันก็จะไม่ศรัทธาในบรรดาจเจวิตของพวกเจ้าอย่างแน่นอนแต่วะลากินอับดุลลอฮัลที่ตะทว่าคุมวะอุมิดตัวนักอนัมินอุมินีแต่ฉันจะเคารพพักดีอัลลอฮ์ผู้ทรงทําให้พวกท่านตายและฉันจะได้รับ บัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธาถ้าไม่เี่ยฉันจะศรัทธาต่อผู้ที่ทำให้วกท่านอัลลอฮีเตลฟตายนักปราชานี่เขาจะบอกว่าชีวิตของเรานี่นะมีบางอย่างเนี่ยรู้โดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีหลักฐานเช่น มนุษย์หลังจากมีชีวิตมนุษย์ต้องตายอันนี้ไม่ต้องได้ ล, ล่นยู่ไหนหลักฐานเอาหลักฐานมานี่มนุษย์ทุกคนต้องตายเอาหลักฐานมาไม่อย่าพูดมั่วนะต้องเอาหลักฐานม า, า, านะว่ามนุษย์ต้องตายอันนี้มันคือบัลดาหีญตมันเป็นเรื่องพื้นฐานมนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้ว่าต้องตายแต่ทําไมอัลลอฮ์บอกให้นบีเนี่ยเชิญชวนให้เขานี่เนี่ยใครควรว่า ต้องสัทธาต่อผู้ที่ทำให้พวกเจ้านีตายเพราะมนุษย์ทุกคนนะ่ะแม้ว่าเขาจะได้รับรู้เรื่องราวของกุอานหรือคำพีที่มาจากพระเจ้าหรือไม่ได้รับรู้เนี่ยเขาเชื่อกันเหลือเกินว่าความตายเนี่ยคือเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดในหมู่มนุษย์สังเกตไหมบ้านไหนนีตายทำอะไรกันอย่างอื่นมานอกจาก โฟกัสไปที่เรื่องตายนี่แหละเรื่องงานศพเรื่องเนี่ยส่งไปสวรรค์หรือจะส่งไปโน่นจะเผาหรือจะฝังหรือจ ะ, จะอะไรจะโฟกัสมีไหมอาจจะมีคนตายเนี่ยเฮ้ยจัดคาราโอเกะจัดอะไรนีมาม า, มาเต้นกันหน่อยพอตายแล้วนี่นสนใจโฟกัสไป ท, ไปที่ไปที่เรื่องความตายและความตายนี่มันก็จะอยู่กับคนเป็นหนิ ยาวนานเลยนะเนะนีตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนทุกคนนี่ก็ต้องคิดทุกคนเนี่ยต้องคิดโดยเฉพาะคิดคนที่เคยคุกคีกับเขาเนี่ยแล้วก็แป๊บหนึ่งอ่ะโดยไม่มีสัญญาอะไรนะแป๊บตายแต่คนนี้บางคนก็ค่อยคอยป่วย ป่วยเสร็จแล้วรักษาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลก็จะนิดหนึ่งก็จะเข้า i อซอันนี้เหมือนเหมือนเราทำใจละถ้าตายและไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ใช่ั้ยแต่ถ้าคุกคีด้วยกันยังแข็งแรงออกกำลังคายนี่เป็นหมอเป็นคนกินดีอะไรอยู่ทุกอย่างเนี่ยรักษาแป๊บนึงตายพวกเนี้ยจะตกใจมากกว่าคนอื่นความตายนี่คืออะไรอ่ะ อะไรที่ทําให้มนุษย์สมบูรณ์มีชีวิตชีวาอะไรงี้ยแวบหนึ่งไปล ะ, ห, ละหรือถ้าเป็นมุสลิมอะนะจํานวนไม่น้อยนะครับคนนี่ไม่เอาศาสนาคนนี้ไม่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอะไรเลยอะนะพอได้เจอเรื่องนี้กับคนใกล้ตัวนี่นะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยความตายเนี่ยทำให้เขานี่คือตื่นตัวเลยรู้เนี่ยอะไรเป็นอะไรเลยได้เรื่องสำหรับคนนี้ไม่ใช่มุสลิมนี่ความตายนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของเขานะและคนหลายคนเนี่ย ความตายนี่ทำชวนชวนคิดนะ่ะชวนให้เขาคิดนะ่ะให้เขาไข้ควนนะ่ะแต่นบีกาลังชี้ไปถึงประเด็นสาคัญว่าความตายนี่นะจะต้องมีพลังอะไรที่เหนือกว่าพลังของมนุษย์ที่สามารถดูแลรักษาชีวิตของตัวเองได้นะแต่พลังอะไรเนี่ยที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมันดับลงต้องเป็นพลังที่เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ขณะนี้ ไม่มีใครอ้างว่าผู้ให้เป็นให้ตายมีใครอื่นจากอัลล์ยังไม่มีใครยังไม่เคยมีหมอไม่เคยมีบรรดาจเจวิตทั้งหลายไม่เคยมีศาสดาไม่เคยมีใครเลยอ้างว่าฉันนี่ทำให้มนุษย์เป็นแต่ทำให้มนุษย์ตายไม่มีใครแต่มีอนะัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับเซนนี่มุฮัมมัดนี่บอกกับเขากุลอาบูดุลลดี ว่าแล้วกินาบูดุลลอห์ียดฉั น, นจะอิบานะต่ออัลลอ์ที่ทำให้พวกเจ้านี่ตายแสดงว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้าของฉันเนี่ยที่ทำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องตายเรื่องนี้สำหรับมนุษย์ทุกคนเนี่ยสำหรับสำหรับคนทั่วไปนะทุจะพิสูจน์ยังไงว่าพิสูจน์ยังไงว่าอัลลอ์เนี่ย ที่ทำให้มนุษย์ตายพิสูจน์ยังไงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการเชื่อว่ามี a l ล a h หรือไม่มี Allah ฉะนั้นจะไปพิสูจน์เรื่องว่า Allah ทำให้ทุกคนตายนี่นะมันคือคุณลักษณะหนึ่งก็คือเดชานุภาพของ Allah มันคือคุณลักษณะหนึ่งของ Allah เจนต้องไปคุยๆกันก่อนนะว่าเชื่อว่ามี Allah หรือเปล่า แต่ถ้าไปคุยเรื่อง น, นั้นน่ะมันไม่จบไงคุยกันก่อนว่ามีอัลลอฮ์หรือไม่มีอัลลอฮ์มีจริงหรือไม่มีจริงแล้วถ้าเป็นอัลลอฮ์จริงไงนะพระเจ้าเนี่ยมีเดชานุภาพครบถ้วนสมบูรณ์ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนี่นะถ้าเชื่อแล้วว่ามีพระเจ้าแล้วอัลลอฮ์นี่เนะ่ยเดชานุภาพทําได้ทุกอย่างนะแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าพระองค์ทําได้นี่ก็คือทําให้พวกเรานี่ตายและเรื่องเรื่องลึกลับทั้งหลายนี่นะมันก็จะมันก็จะมาด้วยกันนะ เชื่อในวันปรโลกเชื่อในสวรรค์นในนรกนี่นะไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะพิสูจน์หน่อยเนี่ว่ามีนรกมีจริงสวรรค์น่ยมีจริงทั้งหมดนี่มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นมีพระเจ้าไหมมีพระเจ้าพระเจ้านี่ก็ต้องมีพระดารัฐมีคุรอนะ่านมีหมดพิสูจน์ตรงนี้ก่อนมาคุยตรงนี้ก่อนเริ่มต้นผมมีตัวนะกบุญในหมูมุ่งมินี้และฉันได้รับบัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา ในกุรอานนี้มีทั้งสองสำนวนโอมิร์ตวนะคูนะมินัลมุสลิมินโอมิร์ตวนะคูนะมินัลมุสลิมินแลอมิร์ตวนะคูนะมินัลมุเอมินินแสดงว่ามุสลิมจะต้องมีทั้งสองระดับระดับอิสลามแล้วก็ระดับอ ي م ا ن เป็น واجب บุกร้องไม่ได้แล้วเว้นไม่ได้อิสซาล่ะ เอสาเนี pues Islam, Is lam? Is lam. ่อัลลอฮ์ไม okay, ่บังคับอิสลามนี่ต้องมีนะอ ي م ا ن นี่ต้องมีนะอิสลามีห้ารูุ่นต้องมีนะนี่อิสลามมีห้ารุ่นต้องมี إ นี่รุกุ่นต้องมีนะอสาะราคกันสาเนยคืออะไรช่หอานี่ไม่มีนะ و أ م ي ر ت و أ ن ك المحسنين นรานี่มีแต่มีว่าอินนัลลอฮ ا ل م ح อัลล์ชอบคนที่มีอสาเพราะเอสาเนี่มันเป็นมันเรื่องสูงส่งมาก ไม่อยู่ทุกคนที่สามารถทำได้ก็คือเรื่องความสวยงามของอิสลามและก็อีมานี่ทำให้อิสลามมันสวยงามทำให้อิมานี่สวยงามนั่นนะยับศาสไม่อยู่ทุกคนที่สามารถทำได้ศรัทธาให้เป็นถูกบัญชาให้เป็นผู้ศรัทธาอุมิรตวนักบุญมินะลิมอุมินีนวอันอิมวะจฮะกะลิดดีนฮาลิฟาและถูกบัญชาถูกบัญชาว่าจงมุ่ง จงมุ่งหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาอย่างเที่ยงตรงอกินมัวจะกมุ่งหน้าหมายถึงว่าหมายถึงว่ามีความหนักแน่นในการดํารงซึ่งดินศา ส, สนาฮานีฟาที่เที่ยงตรงฮานิฟเนี่ยรากศัพท์ของมันเนี่ยฮนาฟะฮานาฟะไปว่าไปว่าคงไม่ตรงฮานาฟ อันคนที่ขาเป๊เนี่ยเขาจะเรียกอหนัฟขาเดินไม่เดนนินไม่ตรงนเขาจะเรียกอหนัฟเพราะไม่ตรงอะลฮานีฟะานีฟะนีนะานีฟะคือห่างจากความไม่ตรงเขาจะเรียกว่าฮานีฟะอนั้นา ส, สนะศาสนะอัลฮานีฟีย่านนบีเราะบะละเลกุมบิลฮานีฟีที่ศัม จงยึดมั่นในแนวทางนี้เด่นตรงที่ราบรื่นที่เรียบง่ายสัมัสฮานีฟก็คือเที่ยงตรงเวลาตะกูนั้นมินักมุชริกมและอยู่ในหมู่ผู้ตั้งพากีเป็นหนึ่งในงเงื่อนไขที่จะต้องเป็นผู้ศรัทธานะต้องมุ่งมั่นสู่ศาสนาที่เที่ยงตรงและไม่อยู่ในหมู่ผู้ที่ ตั้งภาคีตั้งภาคีทั้งสองประเภทชิริกสองประเภทชิริกใหญ่และก็ชิริกเล็ก <c oughs> ชิริกใหญ่นี่ก็คือชิริกที่มันชัดๆนะ่ะบูชาจเจวทอื่นใดจากอัลลอ์นี่ที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์นี่ในชิริกใหญ่ทั้งนั้นนะ่ะ จะไปตะว่าฟรอบอะไรจะไปกราบไหว้ให้ใครจะจะไปเชื่อศรัทธาในเดชานุภาพของอะไรของใครนี่ทั้งหมดเนี่ยชิริกใหญ่เชื่อว่ามีคนนึ่งทำให้คนเป็นคนตายเนี่ยเนิริกใหญ่เพราะเรื่องเป็นเป็นตายเนี่เป็นของใครของพระเจ้าเพียงผู้เดียวอืมคนนี้นี่ทําให้ ภรรยาตั้งคันได้ทำให้ทำให้ใ ห, หายป่วยได้หมอมทําไม่ได้หมอ ม, มันมั่วเพสัชนี่มันให้ยามันมั่วแต่ต้องไปหานี่โตวาลีคนนี้เนี่ยมันทําให้หายได้ชิริกใหญ่ไม่ชเล็กนะชิริกใหญ่เลยเชื่อในพระเดชานุภาพที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์เท่านั้นนะยกให้มนุษย์หรือให้สิ่งนึ่งสิ่งใดเน่ยชิริกใหญ่ ไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องไม่ต้องไปกราบก็ได้นี่ตะกอนนูนะ้นอะย่ตะกอนนูนะสมัยมุฮัมมัดอุฮาบเนี่ยที่เขาบาไมมุฮัมมัอดอุาบะในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยที่จริงมุฮัมมัดฮาบนี่เกิดก่อนที่จะมีประเทศซาอุดีอาระเบียนะเขานี่เป็นคนก่อตั้งโดยซ้าไปตอนนั้นอนะคาบสมุนรอัลลับนีนะ่มีชีริกชัดๆเลยชิริกแบบชิริกใหญ่อะทำไมถึงมุฮัมมัดฮาบอื่นจากกุลมามันที่เขาเข่งเรื่องนี้ เราต้องเห็นใจเขาเขาไปเห็นมุสลิมเนี่ยชื่อเป็นมุสลิมเนี่ยปู่ย่าต่เป็นมุสลิมมานะ่ะไปตะว่ารอบ ก, ก้อนหินนะ่ะผู้หญิงที่ไม่ตั้งคันเนี่ยเดินทางไปเนี่ยไปหาต้นไม้ต้นไม้เี่ยเขาอ้างว่าสมัยน บ, บีเนี่ยไปชัยยะรตุรุดวาวที่น บ, บีไปอากัซาฮาบานี่ไปหาต้นไม้เนี่ยจะได้ไปขอต้นไม้เนี่ยให้ช่วยตั้งคันนะ่ะอิห ม, ม่ามฮะนี่เห็นเรื่องนี้ไม่เขาก็ต้องพูดตรงๆ น, นี่มันชีิกะ เก็เลยถูกกล่าวหาว่ารุนแรงพราะเาเห็นเรื่องมันจริงอะมันเหมือนสมัยท่านนาบีอะจะไปไปอ้อมควอมได้ไงมันมั น, ม, น, ม, นมันเรื่องมันชัดอนะและวชิริกเล็กอะชิริกเล็กนี่ไม่ตกศาสนาพวกชิริกใหญ่นี่ตกศาสนาแต่ชิริกเล็กนี่ไม่ตกศาสนาชิริกเล็กนี่เช่นอะไรเช่นสาบานด้วยพระนามอื่นจากอัลลอฮ์ชิริกเล็ก ละมาโออวอย่างเงี้ยี่ชีิกเล็กก็คือเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์นี่แหละเพียงผู้เดียวแต่อามัลนี่นะยังยังมีหวังหวังผลละบุญจากนู่นหวังผลละบุญจากนี้หรือเชื่อในความยิ่งใหญ่บางอย่างถึงขนาดที่ให้ความสำคัญถึงขั้นาสาบานด้วยสิ่งเหล่านั้นขอความคุ้มครองจากสิ่งเหล่านั้น อันนี้ต้องระวังสิ่งที่น่ากลัวนะที่ต้องระวังนะบ้าเรานี่มีเยอะเหมือนกันนะให้ฝากให้ฝากตักเตือนกันอุ้ยปะอุ้ยพ่ออุ้ยแม่อะไรอะอะไรอุ้ยแม่เนี่ยอะไรทำไมอะเคยได้ยินใช่ไหม อุยพ่ออุยแม่เคยได้ยินใช่ไมมุสลิมเราเนี่พูดแบบนี้เนะี่ยมุสลิมนะไม่ใช่น้องต่างซีรินะมุสลิมนะพูดนะพ่ออุยแม่ทาไมอ่ะไอคนโบราณเนี่ย เ, ยเวลาเาเวลาเขาเกิดอะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงคนที่ลงลับไปแล้วที่มีความสาคัญนะ่ะนึกว่าเขาเนี่คุ้มครองแพี่น้องต่างซริกเนี่ยก็มีนะ่ะอุยอะไรนะอะ ใช่ป่ะถ้าไอบอโรถ้าสำนวนที่สมบูรณ์นี่นะอะไรนะพระช่วยมุสลิมกบูดเฮ้ยมาช่วยมีไหมเคยได้ไหมเอ้ยมาช่วยมีเคยได้ไหมอ่ามีมีมีมะช่วย ามีบางพื้นที่นี่นะที่มีตวารีมีอาจารย์มีอะไรีนะก็ชื่ออาจารย์นั้นเลยอาหรับนี่มีเยอะชี์นี่มีเยอะชีย์นี่มีเยอะยะฮูเซยยะอลีนี่นัอิบนี่มีนี่ม่คกชยานะซุนนีก็มีซุนนีก็มีบาดเวนี่ตวารีดังะ่เขาไปไปมอเดบาดวนี่นะชื่อชื่อเขานี่ซยอัลบาดว ไปมลิดบด a w เนี่ยไม่ต้องไปทำฮัดละเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเวลาเจอปัญหาอะไรนี่นะเรียกบาด a w เลยยะบดวี i ยบดว w i ซุนนีก็มุนีกมีนะมีมือนกันละตะกูนันมินัลมุชริกีถ้าอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธานี่เต็มร้อยนะไม่มีหรอกเจอวิกฤตเจออะไรอ่ะนะโอ้โออัลล์ช่วยโอ้อัลล์ เาอย่างเดียวที <huh> ่เราที <huh> ่เราต้องมุ่งมุ่งนี่คือศาสนาที่เที่ยงแท้นี่เที่ยงตรงก็คือมุ่งไปที่อัลลอฮ์สุภานะดะลาอางเดียว์ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين เจ้าอย่าวิงวอนสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ช่วยไม่ได้หรอกที่ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้าและไม่ให้โทษแก่เจ้าไม่ให คุณไม่ให้โทษแกเจ้าแม้แต่น้อยอย่าไปวิ่งวอนมันามาหากเจ้ากระทำเช่นนั้นแท้จริงเจ้าจะอยู่ในห ม, ม, ม, มู่ผู้อธรรมผู้อธรรมุลมที่ยิ่งย่าย่านี้นะก็คือชริกลุกมานสอนลูก และตูชริกบิลอจงยัตั้งพากักอัลลอฮฺอินนัชิรกาลา ظلم ุน عظيم ชริกนี้ก็คือ ظلم คืออธรรมที่แน่นอนที่ชัดเจนถ้าเจ้าวิงวอนอื่นจากอัลลอฮเนี่ที่ไม่ให้คุณไม่ให้โทษกกบเจ้านี่นะเจ้ามินจลิมีนอยู่ในหมู่ผู้อธรรมทำ ظلم ที่ชัดเจนอยาจงเชื่อนะอัลลเท่านั้นนะ่ะที่จะให้โทษให้คุณ แค่เ้าว่าอีมศัลกัลลอฮฺบด هو, ยยิดราร์ฟิน فلا كاشف له إله و อี يردك بخير า ل ا رادل فضله หากอัลลอฮฺจะทรงให้ให้ทุกภยัยประสบแก่เจ้าแล้วก็ไม่มีผูใ้ใดปลดเปลื่องมันได้แต่เราประสงค์ว่าเราจะต้องเจอทุกเจอโทษเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนี่นะไม่มีใครที่จะคุ้มครองเรานี่ให้พ้นจากสิ่งเดียวเรากาหนดได้ นอกจากพระองค์ที่จะช่วยได้และหากพระองค์ทรงปราถนาความดีแก่เจ้าแล้วก็จะไม่มีผู้ไม่มีผู้ใดกีดกั้นความโปรดปรานของพระองค์ได้ถ้าเร์ประสงค์ให้เราต้องรวยถ้าโลกทั้งหมดเนี่ยมากีดกัน้นไม่ให้รวยนะเขาก็ไม่ประสงค์ความสำเร็จยุซีบบิฮีมยะชาอุมิบะดี พระองค์ทรงให้ประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงเบาของพระองค์ที่อัลลประสงค์ว่าัวละฟูรหิมและพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออุลยาอยูฮันนัสุกดจออะคุมอัลฮักกุมิรบบิุมเมันอิตดะ ي ن ف ض ا ل ع ل ล ه ا وما أنا จงกลาวเถิดโอมุฮัมมัดโอมนุษย์เอ๋ย แน่นอนศัจธรรมจากพระเจ้าของพวกท่านได้มาอย่างพวกท่านแล้วจะเอากุลบุญพั ก, กคุรานี่มาอย่างพวกเจ้าแล้วนี่คือพระดำรัสของพระเจ้าที่แท้จริงมาอย่างพวกเจ้าแล้วนะดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงเขาดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวเขาตัวของเขาเองหมายถึงว่าทาฮีไดยะ ถ้าตัดสินใจว่าจะรับทางนําที่ถูกเสนอจากพระดารัสของพระองค์ของพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยที่เราสนองตอบรับนี่นะก็เพื่อตัวเราเองเอลัลลอฮ์ไม่ได้มีประโยชน์ได้อะไรจากพวกเจ้านี่ก็เป็นเรื่องต่อยอดจากเครื่องของสุร่าทั้งหมดนี่แนะว่าโลอฮมุฮัมมัดท่านไม่ต้องไปไปเสียใจอะไรมากอาลัลลอฮ์กำลังจะสอนมวลชนทั้งหลายนี่บอกว่านี่ น บ, บีมุ hammad เอาคุรานมาสอนพวกเจ้านะถ้าจะเอาหนะ้กับพวกเจ้าในประโยชน์อัลลอฮ์ไม่ไดอะไรหรอกและที่อัลลอฮ์ส่งน บ, บี ม, มาพร้อมกุรานนี่นะก็เพื่อพวกเจ้าจะพวกเจ้าจะได้รอดเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยจากพวกเจ้าอ๋อแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้ฉันไม่ศรัทธาหรอกเกิดขึ้นสมัยท่านน บ, บีคนบางคนเนี่ยในหมู่ พวกชนบทนะนะ่ะที่เขาอยู่ในสภาพที่ยากจนนะ่ะเดี๋ยวไปศรัทธากับมุฮัมมัดนีลองดูถ้าได้ศรัทธาอยู่มาดีหน้านี่ได้มีเมียได้มีครอบครัวได้มีปศุสัตว์แล้วก็อูดของชันนี้ก็มีลูกเยอะแพะของฉั น, นั้นก็มีลูกเยอะนะ่าแสดงว่าศาสนานี้นี่นะเจริญเจริญเออแสดงว่าศาสนานี้ใช้ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ผลน่ะนะ ไปอยู่ไยูกับนบีมุฮัมมัดนี่ก็ไม่ไม่ได้แต่งฮานไม่ได้มีไม่ได้มีธุรกิจไม่ได้อะไรเลยยังแย่เหมือนเดิมอ่ะนะเอาวะไปอยู่เหมือนเดิมดีกว่าอเราก็เลยประทานกูอานลงมาว่ามินัลนะเซมัยอะบูดุลลาฮ์อะลาหารฟ์ดำรงศาสนานี่บนเหมือนคมดาบอะฮะดูโชคตัวเองก็เป็นยังไง ในอซาบะหูใครรูนิธรมอับีถ้าได้ประสบความดีนะนะเออจะสบายใจกับอิสลามนี่ดีสมัยคือตั้งแต่ฉันรู้จักอิสลามมะนะโอ้ฉันก็มีมเงินมีคนนี่วัดสัจธรรมนี่วัดความถูกต้องนี่กับเรื่องความสบายบความสุขสบายอะนะไม่รอกพอเจอวิกฤตแป๊บนึงอะนะในชีวิตนี่น่ะร่วงเหลือร่วงร่วงร่วง สาเหตุที่คนหลายคนนี่นะพอพอเจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยก็ทำเหมือนคนที่ไม่ได้ศรัทธาเลยนะโอหาักนิดนึงไปเลยตายเลยอาแลวบางที่นี่ก็ไปไปรู้จักกับคนดีคนเข่งศาสนาไปรู้จักกับมุสลิมา่าคนดีคนเข่งศาสนาคุมฮิจาระนะแล้วก็พออยู่กันสักพักหนึ่งก็เจอเจอดีเข้าใจดีนะเจอดีอะ เ <G ül üyor> ออเจเจ ด, ดีนี่หมายถึงว่าดีดีวัวดีแพะอะไรเงี้ยของขม อ, อะ่ะเจดีอ่ะ <G ül üyor> <G ül üyor> พอเจอ ด, ดีแล้วไม่เอาละไอ้คนคุ้มเนี่ยกไม่ชอบละไอ้คนที่ไว้ขาวไม่ไมี ม, ม, มาร ย, ยาท อ, อย่ามายุ่งกันเจอ ด, ดีนิดนึงเปลี่ยนเลยใครบอกแล้วศาสนานี้ขึ้นอยู่กับคนที่คุมีอยากคนที่ไว้ข่าวใครบอกอะ พวกนี้กัมนุษย์เหมือนกันนี่แหละในใครที่จะรับทางนำนี่กระทำทั้งเพื่ อ, เ พ, อเพื่อตัวเองไม่ใช่ว่าอ๋อนี่พอฉันพอฉันเป็นผู้ศรัทธาแล้วนี่แสดงว่าแสดงว่าโอศาสนานี่จะสู ง, ส, งส่งสูงขึ้นเลยนะไม่ใช่ว่ามันด ล, ละฟะอินเมลอะไรฮและผู้ใดหลงทางแท้จริงเขาก็หลงทางเพื่อตัวของเขาเอง และฉันมิได้เป็นผู้คุ้มกันพวกท่านว่ามาอาณาอะไรกุมบิวกิใครจะหีดยะใครจะหลงนี่นะฉันเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะรับรองใครเลยใครศรัทธาแล้วฉันก็จะไม่จะรับรองว่าเขาจะศรัทธาต้องศรัทธาตลอดใครที่หลงนี่เาก็ฉันก็ไม่บังอาจที่จะการันตีว่าเขาจะหลงตลอดอยู่ที่พวกท่านเองให้เลือกเอา วัดตั้งมาโยห์ฮาอีลิคและอดสบิร์ให้ถึงจะอนี่รอดปลอดภัยที่สุดการที่เราได้เอาอวัยูของอัลลอฮ์คําสอนของพระเจ้าเนี่ให้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมเจ้าจงปฏิบัติตามที่ถูกอวัยวหแก่เจ้าเขาทับซับเลยนะ ที่เจ้าถูกวะฮีที่เจ้าถูกสั่งสอนน่ะที่เจ้าที่เจ้าได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยเนี่ยปฏิบัติตามเนี่ยและจงอดทนเป็นเงื่อนไขนะหลายอายะแบบเนี้ยปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องอดทนทําไมอ่ะเพราะถ้าปฏิบัติจริงนะาาทามุสลิมปฏิบัติจริงนะต้องมีบททดสอบต้องมีบทไม่มีบททดสอบแสดงว่าไม่ปฏิบัติจริง ا ل ع ص ر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعامل الصالحات وتواسب الحق وتواسب الصبر ตรงนสธาประกอบคุณงามความดีและตักเตือนกันในเรื่องอดทนความจริงและศัตธรรมและอดทน يا بني ق م ا ل ص ل ا وأمر بالمعروف و ن ه عن المنكر واصبر على ما صابك لقمان ل อักรมิสซลาแต่ว่ามุรินมารุจงดำรงซึ่งการละมาดเรียกร้องสู่คุณงามความดีปราบปรามความชั่ววสเบิและจงอดทนในสิ่งที่พวกเจ้าต้องต้องพบต้องเจอมุสลิม่าจะคุมฮิดยาบต้องอดทนมุสลิมินจะละหมาดจะไว้เขาจะเคร่งครัดเรื่องศาสนานี่ก็ต้องก็ต้องแน่นอน จะไม่กินสิ่งฮ้ารำจะไม่ไม่ไม่เอาไรได้ที่มันห้ารอมจะไม่รับสินบนต้องต้องเจอบททดสอบเสมอเสมอเลยแต่นักศึกษานี่เข้าห้องสอบนี่ไม่ลอกข้อตอบข้อสอบมันเป็นบททดสอบนะทําไมอ่ะก็อ่านทั้งปีนะ ดูหนังสือทั้งปีแต่พอมาเจอคำถามงี่เง่าของอาจารย์วคเจอมนีผม้ผมเจอคืออ่านหนังสือดูหนังสือนี่ถึงขนาดที่เพื่อนๆ น, นี่บอกว่าโอ้โจะถามอะไรนี่ถามดอ น, น ค, คือผมอ่านเหมือนท่องจำเลยนะแล้วพอไปอ่านข้อสอบนิดไหนมันอยู่ไหนอ่กูไม่เคยอ่านเลยไม่เคย เนี стати, Savior, primero, ่ยข้สอบนีเงาแลวตอนนั้นน่ะวัดทดสอบนี่เอามเอามาแล้วก huh? ็เราก็เห็นนะนอาจารย์นี่เขาก็อาจารย์นี่เขาาก็รู้ว่าคถามนี่มันยากสอบปิเนียโทสอบสอบปีเนโทอาจารย์นี่ก็รู้ว่าคถามนี่ยากแกก็ทาอย่างนี้ทํไม่ไม่เออจะเอามีจะเอาทอะไรก็ทำกันไปคือเห็นใจอาจารย์ก็เห็นใจเพารู้ว่าไอเจ้าของชานลเนี่ยนะเขาชอบแกล้งเด็กะ คำถามอะไรที่แบบว่าเอไอตอบไม่ได้อ่ะแล้วก็เลือกบททดสอบไงเลือกเลือกที่จะไม่ไม่หลอกไม่เอาอย่างไรก็ไม่เอาวสบิรฮัตจะย حكم อัลลอฮ์รอที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะจะละจะตัดสินจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินตัดสินอะไรตัดสินชะตากรรมที่เราเลือกปฏิบัติตาม อิแต่เบี่ยงมาปฏิบัติตามมุฮยุปฏิบัติตามคำสั่งอลอเราเชื่อแล้วนี่ว่า น, นี้คือพระเจ้าและนี่คือคําสั่งของพระเจ้าเนี่ยต้องสึกจริงนะชาตากรรมเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าต้องดีรอรออย่างเดียวทําให้ชีโลกนี้เนี่ยโลกหน้าเนี่ยต้องเจอแน่นอนต้องเจอแน่นอนแต่ต้องรอไงอยู่ในโลกนี้นี่ยก็จะเจออะไรหลายอย่างที่ทําให้เราหงุดหงิดอืมอะไรอัลลอฮ์จะช่วยสตีผู้สตาเรื่องนี้เนี่ขนาดนบีอย่างพูน ฮะ حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا บรรดา نبيرس ูลบางทีถึงขั้นสิ้นหวังอ่ะเตี้ยส์รุสุเกือบจะสิ้นหวังแล้วและนึกว่าจบแล้วเขาถูกปฏิเสธแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วในการในการเผยแพร่ในการทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาอาเาฮุมนัสุรุทันทันนั้นนั่นะเมื่อเขาได้เกือบสิ้นหวังแล้วนั่นนะ คำสั ی, س س ่งของ Allah นี่ฮุกมของ Allah การตัดสินของ Allah นี่มาว่าหัว خير ุล ح ا ك م ي นพระองคทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดีจริงปิดท้ายที่ดีนะสำหรับสุรที่ Allah ต้องการให้กำลังใจกับท่านนบีม u h a ม m a d อดทนและรอจนกว่า Allah จะตัดสินการศรัทธาของผู้คนความยิ่งใหญ่ของอิสลาม มันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายที่เราต้องรอไปถึงว่าคําสั่งสอนต่างๆของอิสลามนี่อ๋อหมายถึงว่าเราต้องรอให้คําสั่งสอนนี่ถูกปฏิบัติเราจะต้องเห็นคนทุกคนนี่เขาศรัทธาแล้วก็มัละหมาดกันแล้ว ก, ก็ทุกคนนี่ก็เอากุตตานเอามาใช้กุตตานสารทุกสารนี่ก็ใช้กฎหมายของอิสลามนี่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอ สิ่งที่เราต้องรอนี่ก็คือการตัดสินที่เอลอสภานตัดสินโลกทั้งหมดเลยเนี่ยรวมถึงตัวเราเรานี่จะอยู่ในคนที่ถูกตัดสินแบบไหนในโลกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เห็นนะ่ะความสำเร็จของผู้อื่นนะ่ะที่จะศรัทธาแล้วก็จะมามาน้อมใช้หลักการคำสั่งของพระเจ้าเาขาเาไม่ทำอะ่ะเราก็ต้องมาดูตัวเราเนี่แล้วก็เราล่ะพอสักวันหนึ่งเราก็ต้องเห็นในโลกนี้ในโลกนั้นนะต้องเห็น และนี่คือกำลังใจสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนที่อาจจะไม่มีกำลังใจภายนอกมาช่วยกระซิบบอกว่ามาแล้วนะชัยชนะของสัจธรรมนี่มาแล้วนะมันอาจจะมองไม่เห็นปลายอุมโมงนียง้ยังไม่เห็นมุสลิมเนี่ยก็จะไม่แสวงหาแสงปลายอุมโมง อมุสลิมเี่ยามีแสงอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่จนแสงจนสว่างจะได้ไปหาเฮ้ยแสงสว่างนี่ไปอุโมงหัวใจของเราเนี่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะนำทางขอให้อยู่ในถ้ำไหนขอให้อยู่ในทางมืดไหนนี่นะสำหรับมุสลิมเนี่ยนูรุนาเลนู่ มีแต่รสมีทับรสมีแสงทับแสงมีแสงเต็มไปหมดเลยแสงแห่งสัจธรรมที่อยู่ในหัวใจนี่เพียงพอที่จะเป็นกาลังใจให้พวกเรานะครับวะซัลลัลลอฮุอะลัยบบนะมุฮัมมัดินวะลัอัลลยุซาบิยุสสลามุฮ์ล h a m d u l الذي ب م ت ه تتم ل ص ا ل ح ا ت อ่าส ورة ยูนุสนี่คือว่าคนี้เราได้ทาผลงานที่น่าจะ น่าจะกล่าวถึงใน C.N.N. น่ะ น, นะสิบอายะน่ะ น, นะสิบอายะแต่อย่างที่สังเกตนะมันเป็นเนื้อหาที่มันใกล้เคียงกันก็เลยมารวดเดียวเลยนะครับคงได้ประโยชน์ไม่มากก็ น, น้อยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่สัญญาบอกกับพี่น้องนะครับว่าถ้าเสร็จสุร้ระยูนุสแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดจะหยุดการเรียนการสอนสัปดาห์หน้าและก็สัปดาห์ต่อไปก็คือสองอังคารที่เหลือของเดือน ธันวาคมนี้และก็มาเริ่มใหม่ในอังคารแรกของเดือนมกราคมปีหน้าก็ต้องขออัลลอฮฺสุบฮานาวตาและตอบแทนพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้เสียสละเวลามาเรียนรู้กุษานพร้อมเพียงกันการเรียนรู้กุษานย่อมมีประโยชน์ทั้งตัวผมแล้วกับพี่น้องถึงแม้ว่าเราไม่ได้เข้าใจหมดหรอกถ้าเราไม่เข้าใจหมดนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะ การที่เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อยากเรียนรู้นะั้นนะมันเพียงพอสักวันหนึ่งสุรัสยูนุสเนี่วันนี้เนี่ยอาจจะได้ความรู้จากผมนิดน้อยมากแต่มันอาจจะเป็นมเมล็ดแห่งความรู้ที่ฝังอยู่ในหัวใจทาำให้ท่านเนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่แน่อีกปีหนึ่งสองปีอีกสิ ป, ปีเนี่ยท่านอาจจะได้พบนักวิชาการหรือได้พบตำราหนังสือที่จะมีความรู้มากกว่านี้เยอะแต่หวังว่าที่ได้เรียนมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราเนี่ยได้สานต่อซึ่งความรู้ในกุตตานที่ฝากไว้กับ กับพี่น้องที่เราอยู่ร่วมกันใช้เวลาอันมีค่าถ้าเราจะถูกถามว่าในวันเกียรมาหนี่ว่าอะไรที่มันน่าภูมิใจในชีวิตของโลกดุนยานี้เนี่ก็เรื่องนี้เนี่ยที่เราการที่เราได้มานั่งเรียนรู้กุศอ่านกันนี่แหละในมั ส, สยิดในบ้านของเราสุภาณหุกตาลนะครับพี่น้องมีคำถามไหมถ้ะหาว่ามีคนมาทำลายร่างกายเราหรือคนของเรา นักคนนั้นสามารถที่จะใช้ความรุนแรงตอบกบลับได้ทำไมเขามาทํากลับทําไมมาทําร้ายอ่ะเราไปอะไรเขาขอ่ะเขาเป็นคนริเริ่มนะเขาเป็นผู้เป็นรอยลิ่มไหมหรือไม่ใช่หรือเราไปตอบหน้าเขาก่อนแล้วเขาก็มาตบหน้าเราเขาก็ทําร้ายเราถ้าเขาเริ่มถ้าเขาเป็นรอยลิมมานะ่เราก็ปกป้องตัวเองได้ทําไมต้องถามเพราะผมจะตอบเอาสมมุติว่ามาทําร้ายผมเฮ้ยอะ ตอกโต้ตเลยเอ้าวแล้วถ้าเราเป็นคนเริ่มล่ะไม่ได้ถ้าเราเป็นคนเริ่มแต่เราก็ต้องต้องยอมรับในความบิดของเราอืมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนเขาเป็นคนเริ่มเราก็ปกป้องตัวเองได้ครับอืมเวลาเราอ่านคืออ่านนะฮะเวลาไลน์ยินนะครานี้ยินจะโกล่ออกมาหรือว่าเสียงวุ่นวายมาต้องหยุดอ่านหรือว่าอ่านต่อไปเราจะรู้ยังไงว่ามันเป็นยินหรือมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคน ต้องรู้ก่อนต้องจำแนกก่อนต้องจำแนกก่อนถ้าหากถ้ากเป็นยินเป็นยินนี่ก็ต้องอ่านต่อแต่ถ้าเป็นคนคนคนน่หมายถึงว่าไม่ยินนะเป็นคนเขาเพราะบางทีเนี่ยคือคนเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างอยากจะพูดถ้าเป็นตัวคนนะนะคุยกับเขาได้แต่ถ้าเป็นยินนี่ไม่ต้องคุยอ่านก็อ่า น, ย อ, า น, านอย่างเดียวและจำแนกยังไงเป็นเสียงคนหรือเสียงยินอันนี้ประสบการณ์ต้องต้องไล่บ่อยๆนะ ไ, ได้ไปคุ้นเสียงยินทั่วทีท่านเจ้าของบ้านที่เป็นเ้นาของมหาเนี่ยที่มาที่มาจัดาการบัญชี อ, อะไรเป็นไา่ใหุที่ทำให้มันกลายเป็นแบบนั้นได้ท่านพี่เราพี่ออคือรัจะถ่าตอนนั้นนะข้าวสมุทรเนี่ยเป็นทะเลทรายห่างไกลจากเมืองสําคัญในโลกมุสลิมเทียบแล้วหนูเหมือนบ้านเราเนี่ยชนบทอย่างเงี้ยห่างไกลจาก เมืองที่มีตู้ครูมีผู้รู้แน่นอนสิ่งที่มันผิดนี่มันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้มีความรู้อยู่ที่อยู่ใกล้บ้านเขาเกิดขึ้นเยอะกว่าข้ามสมุทรอาดัดตะก่อนนู้นทะเลทรายโดยเฉพาะพื้นที่ของเชียงให ม, ม่เราหันทะเลทรายผู้รู้นี่น้อยโดยเฉพาะคนที่อยู่นนทะเลทรายในลึกๆเกิดเมืองในในชนบทนะ่ะไม่ค่ยมีผู้รู้เลยแต่พวกนี้เนี่ยก็เหมือนคนในป่านี่แหละ พึ่งพาอะไรอ่ะงงบางทีไม่มีตัวบทไม่มีอะไรนะพึ่งพานสิ่งที่เขาเชื่อว่าเออมันน่าจะคุ้มครองได้มันก็โอกาสหลงเนี่ยมันจะมีะ ม, ะ ม, มีสมีสมีมีมี ส, มม ส, มสเขาก็ละหมาดอยู่นะครับบางคนก็ละหมาดนะีมีมลดอะไรทุกอย่างแต่ไม่มีผู้รู้ที่บอกเฮ้ยนี่ไม่ได้นะอันนี้อันนี้อันตรายนะไม่ถึงขนาดนั้นมันก็เกิดนะรุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยละเลยกันจนกระทั่ง ผู้รู้ที่อยู่ที่นั่นน่ะนะบางทีนี่ก็กลัวอวามากลัวกลัวคนที่เขาประพฤติแบบนี้อันนี้เหมือนบ้านเรานี่ก็มีกลัวเดาไม่ไม่เลือกเป็นกรรมการเป็นวัดถ้าไม่มีอะไรก็อำลากันนะโดยสุภานะกัสลลมบิฮัมดิกัสชาดุลลอิลาอิลัลอันตะอัสซัลฟรุกวาตูบุลเลาะหมสัลลัมกัุ์มรฮัมุลลอ